อาจารย์ครับกรละวันศักการครับยรนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้มาวันเสาร์นะครับแปลกนิดนึงนะครับพระอาจารย์ครับอันนี้ยังไม่แน่นอนครับผมแล้วเมื่อเช้าพระอาจารย์จะบินธบารคนเยอะมันวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันนี้เยอะพิเศษนะเพราะเป็นวันพระไปได้ประมาณห้าร้อยหกสิบคนอ๋อวันพระและวันเสาร์ด้วยเอยเมือนกนสองพระเจ้ามาปนกันมาเจอกัน กลุ่มวันเสาร์กลุ่มวันพระถ้าแยกกันถ้าแยกกันก็ประมาณสามร้อยกว่ า, ากลุ่มเอามารวมกันบางกลุ่มก็ทั้งเขาใส่ทั้งวันเสาร์ใส่ทั้งวันพระอเลยคไค้ประมาณห้าร้อยกสิบแล้วทางบ้านที่ฝากใส่ก็ประมาณวันนี้เกือบพันได้บ้างไม่ถึงไม่ถึงขอไปเดยวสามน้อย ประมาณห้าร้อยห้าร้อยพันธุ์หนึ่งห้ารอยก็รวมเป็นพันหนึ่งใช่ไหมครับรวมทั้งหมดรวมรวมรวก็ป็นพันหนึ่งครับผดแล้วเราพระอาจารย์จำหน้าได้เยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์พวกที่มาใสยประจําก็รู้จักกันนะเราะเขาไม่เขาใสยเป็นปีเลยใส่ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องอยู่ในองอยู่ในลูกโตเป็นหนู่เป็นสาวก็มี รู้จากการมันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นญาติกันญาติธรรมก็เลยญาติธรรมครับผมแล้วคนหน้าใหม่ๆเยอะไหมครับอาจารย์ครับรก็บมีมาเลยเพราะมาจากต่างจังหวัดกันพวกที่เขาเนี่ย ต, ติดตามตามรายการต่างๆแล้วพอก็มีโอกาสผ่านมาทางนี้เขาก็จะถือโอกาสรอใส่บาตร<ช> ม, มาจากทัก่วทั่จังหวัดในประเทศเลยมั้งเนี่ยครับผม เดี๋ยวก็มีต้ก็มีข้างมีซ้ายก็มีบ้านอำเภอกลายเป็นที่ต้องแบะเลยครับอาจารย์ไันจุดเลยจุดเลยนะภาษาเช็คหนึนแล้วตอนตายล่ะครับอาจารย์คนไปเยอะไหมครับก็ประมาณสองร้อยคนที่มาฟังที่น่ากุติรวมันก็แ0ดร้อยกว่าแ6ดร้อยกสิบกว่า ก็พอสมควรทำหน้าที่ในขณะนี้ก็พอใจแล้วพอใจแล้วได้แบ่งแบ่งธรรมะให้กับสาธุชนผู้สนใจในธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดับความทุกข์ใจครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้จะดรายการครั้งที่สองรอยี่สิบนะครับพระอาจารย์ครับก็วันนี้ผมได้ตั้งหัวข้อว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับอาจารย์เอาแบบมีแต่ความสุขความทุกข์ไม่มีครับอาจารย์เกาปัญญาอาจารย์ด้วยค ร, าารยับคือทางถ้าทางทางร่างกายนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอรหันต์ก็มีมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์จนเวลาหิวข้าก็แล้วก็ทุกข์เจ็บไายได้ป่วยก็ทุกข์ ในการเจ็บปวดตามร่างกายเวลาได้กินข้าวเอี่ยมน้สาสํารานก็สุขนะทางร่างกายมันก็มีสลับกันไปมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแต่ทางใจเนี่ยสามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้หรให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวได้แต่ต้องขัดเกลาต้องปฏิบัติต้องเข้าถึงธรรม ทำที่จะสอนให้เราเห็นความจริงก็คืออริยสัจ ส, สี่นี่ถ้าเราเข้าถึงถึงอริยสัจ ส, สีแล้วเข้าใจความหมายของวัตถุสมุทัยนี้รอดนะว่าแปลว่าอะไรคําว่าทุกนี้ท่านหมายถึงทุกใจจะทําข้อที่หนึ่งแล้วสมุทัยคือเหตุที่ทําให้ใจทุกความทุกใจเกิดขึ้นนั่นคืออะไรก็คือตัณหาทั้งสาม การมาตัญหาความอยากเสพรู้เสียงกิจนนท์ภาวะทัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะัหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปก็องะรก็ไปดับที่เหตุกาจัดความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้ความทุกข์ก็จะหายไปจากใจและเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดความทุกข์เรา กำจัดความอยากนี้เขาเรียกามาัก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเราปฏิบัติทําเหล่านี้เราก็จะค่อยๆกำจัดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปตามลําดับตามขั้นตอนของการปฏิบัติพอนนเราปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความอยากทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอความอยากหมดสิ้นไปจากใจ ความทุกใจก็จะไม่มีดมเนื้อเองต่อไปใจก็ยิ่งแบบพลังสุง ข, ขังไปตอลอดเวลาทําการความทุกข์ของร่างกายเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินไปเมืองหนึ่งนั่งกายจะนิพพานเท้าไงไม่ทราบพระองค์ทรงมีมีภาวะกายที่เหนื่อยหรือบอกผ้านอนนอนภูผ้าให้นอนนอนหน่อยร่างกายมันมันเหนื่อยห า, นา ห, หน้ําให้ดื่มหน่อย อันนี้เป็นความทุกข์ทางรงกายของพระเจ้าแต่พระทัยของพระองค์นี้ก็เป็นปาระมังสุขขังไม่ไม่ทุกข์ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวเนื้อใจเราสามารถทําให้เป็นบาระมังปาละมังสุขขังได้แล้วก็อยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างไม่ไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวเพราะสามารถแยก แยกออกจากกันได้แยกกายออกจากใจแยกใจออกจากร่างกายได้แต่ท่านเราผูุ้ชนนี้ยังไม่รู้จักวิธีแยกที่ว่าร่างกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเวลาร่างกายทุกใจก็ทุกไปด้วยเวลาร่างกายสุขใจก็สุขไปด้วยแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้วก็จะจะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ว่าเป็นคนสองคน พวกเรานี้เป็นเหมือนกับเป็นผู้แฝดมีแฟดพี่แฟดน้องร่างกายนี้เป็นแฝนน้องใจเป็นแฝดพี่ใจเป็นนายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจจะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะใจอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัวดถาพะชนิดต่างๆ ต, ต, ต้องมีตาอูจะบอกเห่นกายของร่างกาย ใจจึงต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขจากลาบยเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนนถ้าร่างกายเป็นอย่างไรไปใจก็จะเดือดร้อนเพราะจะไม่สามารถหาความสุขได้ใจจึงรบับจึงหวงร่างกายมากอย่าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่ากายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหรือสัมผจะตายนี่ ใจจะทุกข์ร้อนขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจะไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบที่เคยหาได้เห็นวิธีที่จะแก้ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายให้เรามาหาความสุขโดยตรงจากใจหาความสุขที่มีอยู่ในใจไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกเพราะว่าในใจตอานี้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เราเรียกว่า ความสงบนัตติสันติพลรรังสุขขังสุขเบื้นที่เนือกวาความสงบไม่มีสุขที่สุดยอดอยู่ที่ความสงบของใจในการทําให้ใจสงบนี้ก็มีอยู่สองระดับสง บ, บแบบชั่วคราวและสง บ, บแบบ ย, ยั่งยืนทาวรนขั้นตอนเราก็มาฝึกทําแบบชั่วคราวก่อนเพราะมันง่ายและเป็นฐานของการที่จะทําใจให้สงบอย่างทาวอนต่อไป การทํานทำใจให้สง บ, บแบบเชี่ยคา้าวก็ต้องมีสติคอยกำกับใจคอาควบจุมไม่ให้ใจไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆต้องมีกรรมฐานไปที่ผูกใจไว้อารมณ์เช่นพุทธานุสติก็ทมริการพุทโธอนาพิราสติก็การดูลมหายใจกายกตตาสติก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าใจถูกสติผูกไว้กับกรรมฐานเหล่านี้ได้ ใจก็จะว้าวใจก็จะเบาไม่คิดอะไรมากแล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็สามารถทำให้ใจนิ่งสง บ, บได้เต็มที่พอใจนิ่งให้สง บ, บได้เต็มที่ความสุขที่เกิดจากความสง บ, บก็จะปรากฏขึ้นนะแล้วพอเราได้ความสุขแบบนี้นะเราก็สามารถเนิ่หาความสุขทางผ่านทางร่างกายได้นี่เป็นวิธี ความสุขในเบื้องต้นแบบชั่วคราวพอเราอยาจะมีความสุขเราก็ไม่นั่งสมาธิกันแทนที่จะไปกินเหล้าไปเที่ยวตามบาตามผับหรือไปไปดูภาพยนตร์หรือไปทําอะไรก็ตามผ่านทางร่างกายเราก็มานั่งเฉยๆควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจสงบแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมา ใจก็จะเริ่มคิดนริ่อยากขึ้นมาใหม่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไม่เหนื่อยอยากอะไรถ้าอยากจะกําจัดอยากจะให้ใจสงบอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวปอเดี๋ยวประเดาวเวลาได้เสียก็สุขพอเวลาไม่ได้เสียก็เกิดความรู้สึก ผิวเกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะรู้สึกทรมานใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นด้เห็นว่าถ้าการไปเสพแล้วมันเหมือนจะทําให้มันติดติดแล้วมันจะทุกข์เราถึงไม่ค่อยกล้าเสพ ย, ยาเสพติดกันใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปเสพ ย, ยาเสพติดตอนนี้มันติดต้องหามาเสพผิวไปเรื่อยๆเวลาที่อยากแล้วไม่ได้เสพนี่ยมันจะทรมานมากเหมือนกัน ยาเสติก like anyway, ็เป็นรูปเสียงกินรสอย่างหนึ่งที่ดูนานแต่อย่างอื่นก็ยังถือเป็นเป็นยาเสพติดเหมือนกันการดูภาพพยนต์การกินเครื่องกินอาหารที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยดื่มเครื่องเดื่มที่เราชอบดื่มแม้กทั่งติดเป็นติดเป็นนิสัยต้องเดิมทุกวันนะบางคนต้องเดิมเครื่องดื่มชนิดหนึ่งทุกวันกินอาหารก็ต้องกินเนือาหารที่ชอบกินอะไรเหลนี้มันรนมันมันเป็นมันยาเสพติด เวลาไม่ได้กินตามความอยากแล้วมันรู้สึกไม่ไ ม, ไม่มีความสุขนะไม่ได้ดืมด่มเครื่องดื่มประจำบางคนต้องดื่มกาแฟวันละสามสี่ถ้วยอย่างเงี้วันไหนไม่มีกาแฟาให้ดื่มมันจะรู้สึกหมุดหีิดขึ้นมาทันทีบางคนต้องกินอาหารที่ถูกใจวันไหนไม่ได้กินอาหารที่ถูกใจแล้วก็หมุดหงิดถึงแม่างกายจะอิ่มจากการกินอาหารแต่ใจมันไม่อิ่มใจมันไม่ได้กินอาหารที่มันชอบที่มันอยากกินเนี่ยนี่คือคลิชของการไปติด สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเวลาไม่มีมันแล้วเนี่ยมันจะทุกข์จะทรมานถ้าไม่ติดจะดีกว่าไม่ติดยาเสพติดก็ไม่เดือดร้อนมียาเสพติดหรือไม่มียาเสพติดให้เสพก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ติดกาแฟไม่มีกาแฟให้ดื่มก็ไม่เดือดร้อนเราต้องมาแก้ตัวนี้อตัวติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายอยู่แบบไม่มีอะไรเลได้ไหมอยู่แบบ กินแบบจืดๆชื่นๆมีอะไรก็กินเข้าไปข้าวเปล่าผุกยำปลากินนั้นมันอิ่มท้องนี้ถ้าอยู่แบบแบบตามมี้ตามเกิดได้ก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยู่แบบชั่วชีพจุกจิกต้องกินนั่นต้องเดิมนี่ถึงจะมีความสุขแล้วพอพออยากแล้วมันไม่ได้กินแล้วเดิอดตามความอยากตอนนะั้นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือการวิจารณ์เองว่าเป็นทุกสิ่งทุก อ, อย่างที่เราอยากเป็นทุกข์ ทวก็ไม่แน่นอนบางทีก็มีเดืมบางทีก็ไม่มีเดิือดบางทีก็มีดูบางทีก็ไม่มีดูอมันเป็นอำนาจตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งมันได้ตามความต้องการของเราอันนี้คือการเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างที่เราอยากก็เป็นทุกข์ก็ไม่อยากดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะมีความสุขเพราะความอยากต่างๆหมดไปจากใจ ความรู้สึกที่ขาดนู่นขาดนี่ความรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาอะไที่มันจะหายไปหมดใจจะว่างจะเบาจะเย็นจะสบายไม่ต้องมีอะไรใจจะอิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นการกำจัดความอยากเป็นการสร้างความสบความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เป็นปรมังสุขขังเรากำจัดความอยากทั้งสามหมดสิ้นไปยากใจแล้ว การมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็บริสุทธิ์ผุดเผ่าใจก็ไม่มีความหิวความอยากอะไรอยู่เฉยๆก็สุขมีอะไรให้กินไม่กินก็ไม่ก็เท่ากันมีอะไรให้ดื่มไม่ดื่มก็เท่ากันมีอะไรให้ดูไม่ดูก็เท่ากันเพราะไม่ติดไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติการดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไป ต้องดับความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือหลักแล้วก็ในศีลนี้ทายเป็นเครื่องสนับสนุนขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสมบูรณ์แบบไปครับอา <laughs> จารย์ครับจะเรียนพระอาจารย์ว่าท่านมงคลณสุรัสจรัคประธานวุทฒิสภาท่านมาฟังอยู่ครับท่านบอกว่าจะมาฟังตั้งแต่เช้าแล้วครับเพราะว่า วันนี้เป็นวันเกิดของท่านครับอรอธานพิธียินดีนนต้านครับถ้าอยากจะให้พวามันเกิดก็กกมีง่ายๆอย่า ก, กลับมาเกิดอีกเลยเถิดเมื่อเกิดแล้วเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วปัญหาต่างๆก็หมดสิ้นไปอย่งที่พระเจ้ทาทรงตรัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น แต่ดนใดยังมีการเกิดอยู่แต่นั้วจะต้องมีความทุกเพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเราที่เราสามารถเก็บรักษาให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปเวลาสูญเสียร่างกายไปนี้เป็นเวลาที่เศรา้าโศกเสียใจกันอย่างยิงย่งไม่ข่าวข่าวที่เราได้ยินหน้านถึงนางสืบเป็นส่วนใหญ่แล้วื่การสูญเสียร่างกายนี้ไป ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับทันคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากก็ไม่ถูกใช่ไหมครับอาจารย์แต่คำอยากให้หมดไปขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับขันห้าเป็นไตรลัตผู้รู้ก็เป็นอนัตตาซึ่งเราเองก็ต้องไปล่วางผู้รู้ใช่ไหมครับแล้วต้องทำอย่างไรครับ ผู้รู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องเป็นยุคของท่านอ่ะผู้รู้ท่านไม่ไม่เป็นปัญหาเลยสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือกิเลสที่มีในใจะสอนผู้รู้ว่าอย่าไปโลภ อ, อย่าไปโกรธไปหลงอย่าไปอยากเล ย, ยายาอย่าไปอยากเลยในในสิ่งหนึงตา่างเช่นรันห้าอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราอย่าไปอยากให้มันจีนังถาวรยั่งยืนเพราะมันเป็นไตแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ร่างกายก็เกิดแก่เจ็บตายรูปขันเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสังขารขับคิดบุงแต่งก็บุงไปเรื่อยๆไปบูงเรื่องนี้แล้วก็ไปบุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องนี้สัญญาก็จําความจําได้หมายเรื่องวาเรื่องนั้นมากจาเรื่องนี้ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวิญญาณก็ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้วกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่สามารถไปควบคุมให้มัน ให้มันมีแต่สิ่งที่เราอยากได้เช่นไปสั่งให้มันมีแต่สุขเวทนายอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันคิดแต่เรื่องดีๆแล้วทำให้ใจเราสบายก็ไม่ได้สั่งให้เราคิดถึงเรื่องอดีตจําจําเรื่องอดีตที่ดีก็ไม่ได้บางทีก็มีเรื่องไม่ดีเข้ามานี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาเข้าใจแล้วก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดเวทนามันจะสุขก็ร่วมันสุข มันจะทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาอย่าไปอยากให้มันเป็นสุขอย่างเดียวถ้าอยากให้มันสุขอย่างเดียวพอมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ขึ้นมาก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติกับขันห้าผู้รู้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรที่ผู้รู้เป็นปัญหาผู้รู้อยู่ที่โง่ไม่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญา เราต้องสอนผู้รู้ให้รู้วิธีปฏิบัติกับขันห้าว่าปฏิบัติอย่างไรอย่าไปยึดติดพระเจ้าบอกค้าวทุกข์ถล่มลงที่อุปทานในขันห้าเนี่ยความยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเช่นร่างกายเนี่ยพวกเราทุกคนยึดติดกับร่างกายมันเลยทําให้เราทุกข์เราเราต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขกันถึงสอนให้เราไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเพราะเรามีความสงบในใจมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็ปล่อยวางร่างกายได้อุปทานในขันห้างก็หยุดได้เราก็จะไม่ทุกข์อาจารย์ครับท่านประธานมงคลบอกกราบขอบพระคุณสาธุพระอาจารย์นะครับบอกว่าพระอาจารย์ให้พรที่ประเสริฐครับผมโอเคเปิด ออยู่เป็นนานๆนั่นแะจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็กทำประโยชน์ให้เหเต็มที่ทำทีแบบพุทธเจ้าอย่าหวังผลตอบแทนแล้วจะมีความสุขถ้าทำแล้วหวังผลตอบแทนจะมีความทุกข์เวลาไม่ได้ผลตอบแทนอาจารย์ครับคฤรืหัดสามารถที่จะฝึกท่องสวดพระปาฏิโมกได้ไหมครับเพื่ อ, อเผื่ออนาคตได้บวชตลอดชีวิตครับได้ไม่มีใครห้ามอยากจะสวดอะไรก็สวดได้ไ โดพระต่ายปีดกทั้งวัต ท, ทั้งตำรักเลยก็ได้ถ้าสวดได้ยิ่งดีจะได้เป็นเหมือนพระอานุนเนพระอานุ์จําพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงทําได้เกือบทุกทั้งหมดเลยลวเวลาทําการสังฆนานนี่ต้องมีพระอานุนเป็นผู้คอยยืนยันว่าพระสูตรนี้พระเจ้าตัดอย่างนี้หรือเปล่าสังฆทานาน้างแบบมีสองคถามจากหนุ่มน้อยนะครับอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งครับ ผมอ่านหนังสือบททบทวนดนตรีไทยและเริ่มอ่านหนังสือพระไตรปิฎกด้วยถามว่าอ่านความรู้พร้อมกันได้ไหมครับได้มันก็เหมือนเราเราเรียนที่โรงเรียนเราก็เรียนหลายวิชาเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรนะแต่ว่าเราต้องการความรู้อะไรเราก็เรียนไป ท, ท, า, งทางนั้นกันอย่างในทางธรรมนี้ถ้าถ้าถ้าเราต้องการรับประโยชน์จากทางธรรมให้เต็มที่ เราก็ยังไม่ต้องไปเรียนทางอื่นเรียนแค่ทางธรรมอย่างเดียวจะดีกว่าเพราะเราจะได้ได้วิชาความรู้ที่เลิศที่สุดยิด่งกว่าความรู้ต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถนําเอาไปใช้ดับความทุกข์ใจของเราได้มีความมีความรู้ทางธรรมนี้เท่านัน้นแหะที่จะสามารถเอาไปใช้ในดับการดับความทุกข์ได้ถ้าเรามีเป้าหมายในการกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้ในไอยากใจเราก็ไม่ต้องไปศึกษาวิชาอื่น ศึกษาแค่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติให้ได้ก็พอข้อที่สองครับผมเคยขโมยตอนเด็กแต่ผมไม่เอาคืนเลยผมเคยโกหกคุณแม่ตอนเด็กแต่ผมไม่เคยคือเจ้าชู้กับดื่มสุราครับถามว่าผมเพิ่งรู้ตอนโตครับอย่างนี้บาปไหมครับบาปที่ทํำใบละมันเป็นบาปอ่าถ้าเราเรเาไม่อยากไปทําใหม่ก็แล้วกัน ทำแต่บุญนะพยายามทำบุญให้มากกว่า บ, บาสนับุญจะคอยกันไม่ให้บาปแสดงผลก่อนบุญจ ะ, สะแสดงผลเนี่ยก่อนอยู่เนื่อยๆถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปเวลาที่เราตายไปปกติเป็นคนชอบช่วยเหลือสัตว์ที่ยากไร้ครับจิตสุดท้ายถ้าคิดถึงสิ่งเหล่านี้จะไปเกิดที่ไหนครับมันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำว่าไหนมันมากกว่ากัน ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญมันก็จะไปอบายถ้าบุญมากกว่า บ, บาปมันจะไปสวรรค์เป็นเป็นเทวดาหกชั้นด้วยกันอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ารูปภพกับอรูปภพคืออะไรครับก็คือภพของผู้ที่ได้ได้รูปประจานกับอรูปประจานพวกนี้เขาไม่เสกกลางในไตภพนี้มีสามภพด้วยกันไตวิวาสาร การมาพบก็คือพบของจิตใจที่เสกกามก็จะไปเกิดในกามาพบต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกเน้นกายไว้เสกส่วนพวกที่เป็นได้รูปประชานหรือรูปประชานนี้เขาไม่ต้องใช้ร่างกายเขาก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพวกนี้เขาเรียกเป็นพวกพรหมพวกพรหมนี้เขาไม่เสกรูปเสียงกลิ่นรสเขาเสกความสง บ, บของรูปประชานหรือรูปประชาน สมาธิช่วยเรื่องนอนไม่หลับได้ไหมครับได้หลับง่ายง่ายถ้ามีสติหยุดความคิดได้เมื่อไหร่ก็หลับคล้อยไปเลยที่เราไม่หลับเป็นเพราะคิดมากใช่ไหมคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปจะปวดศรีรษะอยากจะนอนก็ไม่รู้จักวิธีทำให้หยุดคิดได้ไงถ้าเราฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆเราจะคอยหยุดความคิดกันพอเราเข้าสมาธิได้แสดงว่าเราหยุดความคิดได้ คนที่เข้าสมาธิได้มักจะนอนหลับง่ายหัวถึงหมอนก็ไปละปุ๊บเดียวกําหนดสติให้คิดปั๊บเดียวมันก็หลับแนละ้วไม่เอาฝึกสติบ่อยๆแล้วเราจะสามารถนอนหลับได้อย่างง่ายไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อยานอนหลับมากินอย่างนอยากจะทำบุญกับพระอรหันต์ครับพระอาจารย์จะไปทำที่ไหนได้ครับก็ต้องไปเสด็จนะใน Google ดูว่าพระอรหันต์ปัจจุบันมีที่ไหนบ้าง เดมีถามเออก็ได้เนี่ย a อไอเก่งเมือก่อนมีลูกศิษย์ที่เขาเข้ามาห้องซูมเขาเราก็บอกให้เขาไปถาม a ออว่าวิธีพิจารณาปฏิกูลของอาหารเป็นยังไงโอ้โมันค้นหามังหมดเลยกินเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อกินอะไรทำแนี้น้องใช้ชแชท GPT อะไรเนี่ยดูโปรแกรมที่ใช้เพียงแต่ป้อนคำถามเข้าไปผ้าหลานในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างน้องถามดิเหาเอาห้ ยแยกไปหมดเลยอาจจะชื่อได้เชื่อมันชื่อได้หรือไม่ได้ไม่รู้เ <c oughs> ขาก็เอามาจากข้อมูลในในในอินเทอร์นเน็ตนะครับ <c oughs> คุณเป็นศีีครับทําใจอย่างไรเมื่อได้รับข่าวขาเขมรอดใจไม่ได้ครับถามพระอาจารย์จะต้องทําอย่างไรครับทําใจเฉยๆเสรีห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไป พิจารณาว่าเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่แต่คนข้างบ้านคนใกล้ตัวเราก็เหมือนกัน่บางทีเขาทาอะไรให้เราไม่สบายใจเราจะทํำยังไงเราก็ต้องทาใจถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับการกระทําของเขาแต่ถ้าเราทําใจไม่ได้เราก็จะทุกข์ไม่อยากให้เขาทาอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทาอย่างนี้เนี่ยเพราะวะตัณหาวิภพะตัณหาเกิดขึ้นมาใจก็เลยทุกข์ต้องหยุดเพราะว่าตัณหาวิภวะตัณหาก็อย่าไม่อยากให้เขาทาอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้น ไหวก็ทําไปตามเนื่องของเขามองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศหมดมนันรุนแราที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของดินฟ้าอากาศทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพั้นมองทุกอย่างให้เป็นเห็นว่าเป็นเหมือนการการเคลื่อนไหวของดินฟ้าอากาศแล้วเราก็จะสบายใจพอเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศพราะเรารู้ว่าเราไปทําอะไรกับดินฟ้าอากาศแค่นั้น เราต้องยอมรับความจริงของดินฟ้าอากาศเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศถ้าเรายอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรที่เราทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาควรจะเป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีอะไรคิดไปโดยสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่พรุ่งนี้วันเกิดครับอาจารย์อยากขอพอรพระอาจารย์ครับ นี่ก็เพิ่มขึ้ไปเนี่ยเพราะว่าขอให้อยากกลับมาเกิดกเลยเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ใช้ชีวิตนี้เป็นใบเพื่อการหยุดการเกิดเถิดอย่าไปทําอะไรอย่างอยู่ให้เสียเวลาเลยกลับเรียนถามพระ อ, อาจารย์ครับว่า มีเอเจนซี่แบบเจ็ดสิบสามสิบอย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับเพราะวัดได้เงินเจ็ดสิบโดยไม่ได้ลงแรงไม่ต้องทำอะไรส่วนเอเจนซี่ได้สามสิบเพื่อ น, นำไปใช้จ่ายค่าดำเนินการต่างๆซึ่งส่วนที่เหลือจากส0ิบเอเจนซี่ถือว่าเป็นค่าแรงที่ได้เหมือนองค์กรต่างๆก็าหักค่าดำเนินการไว้ยี่สิบแปดเปอร์เซน์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับอาจารย์อันนี้มันมันก็เป็นความโลภของวัดก่อนวัดอยากได้รายได้ก็เลยอาจจะมีคนมาเสนอ ว่าจะทำอย่างนี้ให้แต่ขอแบ่งส่วนแั่งอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการของของทางวัดคนจะทำทางวัดคนจะเป็นบารยินดีตามมีตามเกิดตามศรัทธาของผู้ที่จะทำบุญมไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ไม่ต้องผ่านอะไรต่างๆแต่ความรู้ของพระของวัดนี่มันมีมากก็เลยต้องหาอยากจะได้เงินมามากๆเพื่อมาทำอะไรสุดแท้แต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นพระหรือเป็นวัดที่ปฏิบัติจริงๆนี่ยท่านไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยต้องมีถ้าไม่เดือดร้อนกับรายและรายรายรา ย, รายรับทางด้านบริจาคเงินทองสิ่งที่ท่านขาดแค่สิ่งที่ท่านต้องมีก็แค่ปัจจัยสีอาหารบิณฑบาตผ้าไตา ย, ยีวันสามผืนแล้วก็ที่อยู่อาศัยตามมีตามเกิดแล้วก็ยารักษาโรคก็้วแต่ตามตามมีตามเกิดไปถ้าไม่ต้องมีรายได้อะไรเลย มันอยู่ตามมีตามเกิดได้ใครยังม า, าออฟเฟอร์บอกว่าถ้ามีคนบริจาคแล้วขอแบ่งค่าสิบเจ็ดสิบอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ทำหรอกทำไปทำไมำไม่ไมสงั้นในการส่งเสริมกิเลของของคนคนหากินกับวัดหากินกับศาสานาตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับการฝากดีๆนี่จะทำลายศาสนาต่อไปได้ศาสนาจะไม่บริสุทธิ์ศาสนาจะเป็นที่ที่ตมิตรตีเตียนของคน ที่เขาไม่ศรัทธาคนที่มีศรัทธาก็จะเสือส่อมศรัทธาในศาสนาวันทําให้มันเป็นบริสุทธิ์การบริจาคนี้ต้องให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ไม่ควรที่จะมีการไปกระตุ้นไปหาอุบายวิธีต่างๆเมื่อหาเงินเข้าวัดแต่อย่างไดเพราะวัดไม่ต้องอยู่ด้วยเงินทองเนี่ยวัดก็ อ, อยู่ด้วยด้วยด้วยด้วยศรัทธาของศรัทธายาโยนะวัดต่างรูปวัดทุกวัดนี้เกิดจากศรัทธาสร้างขึ้นมา งั้ถ้าถ้ามีศรัทธาสร้างขึ้นมามันก็นก็อยู่ได้ถ้าไม่มีศรัทธามันก็มันก็ต้องจบลงวันได้วันหนึ่งก็ไม่ไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดางั้นเรื่องเรื่องบริาจาคเงินทาําองไม่ควรที่จะมาเกี่ยวข้องกับศาสน า, า, าเลยความจริงไม่จําเป็นจะต้องมีแต่พระยุคนี้หรือพระยุคไหนก็ตามที่ไม่มีธรรมะก็จะหิวหิวกับราบยศเสลเส ร, เสริหิวกับรูปเสียงจิ่นรด ก็จะเป็นจะต้องสร้างวัดที่สุขที่สบายเป็นเหมนราษาราชวังมีเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขทุกในทุกรูปแบบถ้าอย่างนี้มันก็มีรายจ่ายมีค่าใช้ใจ่ายค่าก่อสร้างค่าให้งานค่าทำนุบำรุงนักษามันก็ต้องหาเงินมาถ้าไม่ไม่มีเงินมาทุกทุกอย่างมันก็จะต้องชนรุดสรุดสนลงไปคนอยู่ก็จะอยู่ไม่สุขไม่สบายกัน นี่แคือการไปลงยึดติดกับวัตถุความสุขทางด้านวัตถุมันก็เลยต้องไปหาเงินหาทองมาทํานุบำรุงตัณหาของผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขทางด้านวัตถุอยู่แต่ถ้าผู้ที่ได้ความสุขทางด้านจิตใจนี่ท่านไม่ต้องการอะไรเลยทางด้านวัตถุอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อาหารกินอะไรก็ตามมีตามเกิดได้ข้าวเปล่าคุกคุกน้ําปลาก็กินได้ นั้นยินดีตามตามีตามเกิดแล้วแต่ศรัทธาของผู้ให้จะให้มากให้น้อยให้อะไรก็รับมาไม่ไม่เรียกร้องผู้จ้าห้ามเนี่ยห้ามพระไม่ให้ไปขอจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติไม่ให้ไปขอผู้ที่ไม่ได้ประวารณาตัวไว้ก่อน <S <S <S อยู่ทีมนี่เจอคุณหมอแล้วหมอวันนี้เดือดร้านนักเกินทางวัดขาดค่าน้ำค่าไฟคุณหมอช่วยหน่อยสิย่างนี้ทําไม่ได้ นอกจากว่าถ้าคุณหมอผูดไว้แล้วหน้ากว่าถ้าทางวัดขาดแคลนอะไรช่วยบอกผมด้วยอย่างนี้ก็บอกได้ดังนั้นเรื่องการบริจากเรื่องการอะไรนี้ขอให้เป็นไปตามกําลังของศ ร, รัท ธ, ธาทางวัดทางพระนี่ไม่ควรที่จะไปยื่นมือออกไปขอด้วยเด็ดขาดจะดีที่สุดนี่คือศักดิ์ศรีของพระพระจริงพระแท้พระจริงท่านไม่ขอท่านมีแต่ให้ พระแท้พระจริงท่านมีของประเสริฐดีกว่าเงินทองที่ขอได้จากญาติโยมท่านมี้ทํามันประเสริฐดอูพระพุทธเจ้าท่านขอไขรมีแต่ให้วันหนึ่งเนี่ยพุทธกิจห้าข้อมีอะไรบ้างก็มีแสดงธรรมตอนบ่ายแสดงธรรมตอนค่ําตอนบ่ายก็แสดงให้กับจัตวาญ า, าติโยมตอนค่ำก็แสดงให้กับพระภิกษุภิกษุณีตอนหนึ่งก็แสดงธรรมให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบิณฑบาต ก็เลงยานหรือว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครไปก่อรนในีพิเศษแล้วก็ไปโปรดสัตว์ด้วยการบิณฑบาตนี่คือกิจของพระเจ้าที่ทรงประทุมอยู่ทุกวันตจนกราทั่งวันวานสุดท้ายจนกราทั่งท่านไม่สามารถทำได้ถ้าไม่เคยไปขยืนไปขอเงินที่ไหนจากใครเลยไม่มีการเรียลายไม่มีการพูดออกบอกบุญในรูปแบบต่างๆวัดท่านก็ไม่เคยสร้างเลยแม้แต่วันเดียว เจดีย์ท่านก็ไม่เคยสร้างแม้แต่องคเดียวพระพุทธรูปท่านก็ไม่เคยสร้างแม้แต่รูปองค์เดียวแต่ท่านสร้างพาาระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่คือเป้าหมายของพระเจ้าสร้างพาาระอรหันต์สร้างพราะอราิยะบุคคลไม่ใช่มาสร้างพระพุทธรูปพระอิฐพระปูนมีคนสร้างพระมาถวายพระเจ้าพระเจ้า บ, บอกนี่ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นพระอิฐพระปูนเราเป็นธรรมะ ถ้าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าอยากจะเห็นเราให้เป็นศึกษาธรรมะคบสอนของเราเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นเราว่าเราเป็นเป็นอย่างไรอันนี้คําถามนี้ตอบยาวเลย <c oughs> เป็นการเท็จเป็นเรืครับผมผมภาวนาพระอาจารย์มาตั้งหลายปีผมได้แต่ถวายไปครั้งเดียวเองครับไมโครโฟนนั้นเดียว <c oughs> ไม่มีโอกาสอื่นเลยครับ <c oughs> แต่บางทีถ้ามีพระมาะขอผมผมก็ไม่ถวายนะครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่กิจของท่านนะครับใช่านเราตรงหน้าผมจะไม่ถวายเลยครับอืมนอกจากเรามีศรัทธาเราเห็นวนะ่าท่านมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสนะครับท่านอาจจะเดือดร้อนในบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่สัมมาณัตโบริโภคเช่นท่านอาจจะเจ็บคไายได้ป่วย<ม>ก็อาจจะรีบอนท่านไปตรวจรักษาและพยาบาลนี้ ทำได้อยู่ในเรื่องในเรื่องที่สมควรที่จะทําำแต่ถ้าจะขอค่ารถไปนู่นมานี่อย่าไปให้เลยไปเที่ยวมากกว่าไปนู่นมานี่ครับอยู่ว่าไม่ติดอยู่ไม่ติดวัดที่คลินิกผมรักษาพระฟรีมาตลอดตั้งแต่เปิดเลยครับอาจารย์ครับเนี่สาธุการรักษาพระป่วยนี่เท่ากับรักษาพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเราะถ้าอยากจะรักษาพระพุทธเจ้าให้รักษาพระป่วย หุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับหลวงพ่อจรันมีบันทึกไว้ฟังสวดมนต์อย่างมีสติได้บุญเหมือนกันใช่หรือไม่ครับได้เพราะการฟังสวดมนต์อย่างมีสติก็ทำให้จิตให้ให้นิ่งให้สงบได้เหมือนกันจิตมีพลังพลังจิตเกิดกับพระอระหันต์หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้สูงทรงเหมือนมีอภินิหารได้ใช่ไหมครับ กลือมอภินิหารนี้ไม่ได้ถึงว่าเป็นพลังจิตทางด้านศาสนาศาสนาพูทธไม่ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพลังที่สําคัญแต่มีอยู่ไม่ปฏิเสธพลังจิตที่สามารถอนุรักชาติได้สามารถอ่านวาลชิตของผู้อื่นได้สามารถมีอภินิหารเหาเหินเดินอากาศอะไรนี้สามารถมีเกิดขึ้นได้แต่พลังจิตแบบนี้ไม่สามารถนําไปสู่พระนิพพานได้เพราะไม่สามารถฆ่ากิเลสกําจัดกิเลสได้ พลังจิตที่ที่คนจะมีก็คือพลังสติพลังสมาธิและพลังปัญญานิ่นะที่เป็นพลังที่สำคัญในการที่จะมาใช้ในการกำจัดกิเลสตัณหาในการตัดภบตัดชาตให้หมดสิ้นมาจากใจต้องอาศัยพลังห้านี้อยูอสติสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผลา น, นด้วยการปฏิบัติด้วยวิริยะความยมั่นเพีย สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีสามตัวนี้นะจิตจะมีพลังในการที่เอาชนะกิเลสทั้งหมดได้หมดเลยกิเลสตัณหาข้ามอยาตต่างๆที่มีในใจนี้กลัวทำสามตัวนี้กลัวสติสมาธิและปัญญาเราจะสู้กับเวทนาหนักๆได้ยังไงบ้างครับบางทีความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายจนภาวนาอะไรไม่ได้เลยครับ เราจะต้องพยายามเจริญสติให้มากๆบ่อยๆเวลานั่งเจอเจอความเจ็บปวดเราสามารถใช้สติเช่นบังคับให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บไปกระนั่งใจสงบลงแล้วปล่อยวางความเจ็บไดนะ้ไม่เดือดร้อ น, นกับความเจ็บแต่ถ้าไม่มีสติไม่สามารถที่จะกำบังขับใจให้อยู่กับพุโทโธได้นาน่ในทันทีไ ป, ไปคิดถึงความเจ็บไปคิดถึงความเจ็บก็อยากจะให้มันหาย พรอยากให้มันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเลยทําให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถตัดวงจรนี้ได้ดึงใจให้อยู่กับพุทโธได้ไม่ไปสนใจความเจ็บความอยากให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะไม่เกิดก็จะสามารถนั่งอยู่กับความเจ็บได้ ให้ฟังเทศหลวงตาครับท่านส่งหนังสือไปแจกทั่วโลกหนูเลยอยากทราบว่าสมัยนั้นท่านจัดทําหนังสือแจกยังไงครับใช้เครื่องพิมพ์ดีบหรือยังไงครับเพราะคงไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ครับตอนต้นท่านก็ท่านก็มีหนังสืออีก่สองเล่มที่ท่านที่ท่านแต่งขึ้นมาคือประวัติพระอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระธดรงกรรมฐานทราบว่าท่านไปเรียนวิธีพิมพ์ดีบเป็นซื้อไปหาพิมพ์ดิมรหัสพิมพ์แล้วท่านมีญาติโยมที่ก็ทําวารสาร ที่เขาออกทุกอาทิตย์ได้ยังไงเนี่ยท่านก็ส่งตอนจะให้กับทางโรงพิมพ์พิมพ์อยู่ในว า, า, าลสารก์นิสแจกชื่อสีสัปดาห์นาาับบัลลังไปว้ก่อนดัง น, น, นั้นคือที่มาของหนังสือหนังสือประวัติหลวงปู่มัน่นกับปฏิปทาพัฒเจดกรรมาฐานแล้วต่อมาก็มีคนรวบรวมตอนต่างๆม า, า, าทําเป็นเน่มพิมพ์หนังสือแจกส่งไปให้ทางวัดเป็นผู้แจกให้ใครอยากจะได้หนังสือก็เก็บจดห ม, มายมาที่วัด ท่านก็จะจัดส่งให้ฟรีใครส่งค่าส่งมาให้ท่านก็ไม่รับท่านส่งกลับคืนไปเพราะท่านต้องการทําทําเป็นธรรมทานาการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่สูงสุดไม่ควรที่จะมีงุ่อนไขเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนที่ไม่มีเงินก็จะไม่สามารถรับรังสือได้ถ้าไม่มีเงินค่าส่งและมีคนจะมาขอซื้อนิกสิตประวัติหลวงปู่มั่นให้ท่านเป็นแสนเป็นล้านท่านก็ไม่เอาแต่ว่าเขาจะเอาไปทํากําไรแน่นอนแล้วก็าามาซื้อนิกสิติยนี้ ท่นก็บรรทึกหนังสือท่านแจกฟรีถ้าเข้ามาขอเป็นนิสิศิ์ก็จะไปพิมพ์ขายหนังสือลงตาทุกนั้นไม่มีการขายโดยเด็ดขาดถ้าขายก็แบบแ อ, แอบขายเช่นบางทีคนพวกนี้ได้หนังสือที่เขาแจกในงานศพแล้วเขาก็ไปขายตามท้องถนามหลวะแต่จะขายไปแบบเป็นทางการนั้นไม่มี ถ้าเราเห็นตัวเราเป็นโครงกระดูกตลอดจะต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ดีสุดพยายามรักษาความเห็นด้วยแล้วก็มองร่างกายของคนอื่นซึ่งก็เหมือนกับร่างกายของเราโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีการมารมด้วยเช่นแฟนเราหราอภรรยาเราถ้าเห็นโครงกระดูกของแฟนเราของภรรยาเราก็อาจจะไม่อยากจะหลับนอนกับเขาก็ได้แล้วเราจะไม่เหงาเวลาเขาไม่อยู่กับเราเขาจะทิ้งเราไปเราก็ไม่เหงา เพเรารู้ว่าเราเราเร า, เราทิ้งคงกระดูกไปเราไม่ได้สูญเสียอะไรน่ารักน่าน่าเสียดายแต่อย่างได้ทีนี้ปัญหาคือเรามองไม่เห็นเลยเราไม่มองถ้ามองจริงๆกว่า น, นี้ก็เปบวตเป็นพระได้แล้วนี่จะอยู่ไปทำไมอยู่คงกระดูกทหารไทยที่พลีชีพเสียสละเพื่อปกป้องอภิปไตยของไทยไม่กลัวความตายเขาจะได้บุญไหมครับ ก็ความไม่กลัวความตายมันก็มันก็ทําให้ใจสงบไม่ทุกข์เลยบุญก็คือการสุกใจไม่ไม่ทุกข์ใจการการดับความกลัวได้ก็เป็นบุญอย่างยิ่งต้องชี้ตัวและให้ข้อมูลให้ตํำรวจจับคนร้ายครับบาปไหมครับคนร้ายก็เป็นคนป่วยด้วยครับก็อยู่ที่เราถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่บาปเป็นแต่ว่าเรา ต้องการที่จะมีความเมตตามากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากให้เขาถูกจับเราก็อาจจะไม่ไม่ชี้ตัวก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราหรือเขามีอุบายนะเท่าที่สังเกตเท่าที่มีในในในพระไตรปิฎกเป็นแสดงว่ามีคนนึงเดินมาถามพระว่าเห็นชายคนนั้นวิ่งมาตรงนี้ตรงนั้นหรือเปล่าพระท่านก็ขยับเดินเปลี่ยนที่แล้วตอบว่าไม่เห็นเพราะท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่ท่านยื น, น, นตอนนั้นมองไม่เห็น ก็เป็นแบบเป็นเป็นกุศโลบายต่อไปเมื่อไม่เห็นแต่ความจริงท่านเห็นแต่ท่านไม่ได้เห็นตรงจุดนั้นท่านเห็นในตรงอีกจุดหนึ่งท่านก็ย้ายย้ายที่ที่ยืนแล้วก็ตอบว่าไม่เห็นยืนตรงนี้แล้วไม่เห็นแต่ถ้ายืนตรงนั้นเห็นถ้าที่ได้ยินมาแล้วไม่เจ็ตองแล้วไม่ตองไม่ทราบเน่ยถ้าใครรู้ก็สามารถเอปรับปรับความเข้าใจได้ เคยได้ยินท่านบอกว่าตั้งแต่มายืนตรงนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับอ่ารย์ใช่ใช่เราทำนองนั่นนะ่ะพอตอนที่ท่านเห็นท้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้มีชื่อท่านก็ตอบเป็นกุศโลบายไปเพราะท่านก็เมตตาสงสารเขาไม่อยากเขาไปติดเขาติดตารางถูกจับไปลงโทษด้วยความเมตตาก็อาจจะทำให้แต่ท่านก็พยายามรักษาสีไม่ให้เขกท่านก็เป็นเป็นจุด <c oughs> เออตะวัยืนรไม่เห็นเลยไม่ครับแต่ถ้าคนฐานถลายแล้วถ้าถ้าอยู่จุดอื่นเห็นหรือเปล่าก็เงียบๆไปเลยไหมครับไม่ขอตอบดีกว่าขอไปดูจำไม่ได้ถ้าหน่วยงานรัฐนำเงินภาษีมาทำบุญให้องค์กรตัวเองครับอย่างนี้ใครจะได้บุญครับ ก็รัฐเนี่ยในเงนของรอซึ่งรัฐบาลก็ยินดีให้ลดภาษีให้กับคนที่ทำบุญเพราะคนที่ทำบุญสามารถหักภาษีลดหย่อนภาษีได้รัฐบาลเป็นผู้ขอร่วมทำบุญในส่วนในส่วนต่างเพื่อสนับสนุนให้คนอยากจะทำบุญบางคนอยากจะทำบุญแต่เสียดายเงก็อ้าไม่เวลายังขอคืนได้บ้าง<ม>ก็อาจจะทำให้อ้าบางนียิ่งช่วงมีการถ้อยับถิ่นอยู่เนี่ย องค์กรต่างๆมันจะต้องเป็นไปนเป็นเจ้าภาพเป็นประาาราธานพระระ า, าชทานวพระกตินราชทานส่วนใหญ่นีอ้อาศัยองค์กรของของรัฐบาลห น, ววางงา น, น่วยงานต่างๆเพราะว่าต้องพิมพ์ซองแจกพวกเพราะนั้กงานข้าราชการที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆดังนั้นเานี้สามารถเอาไปลดหยอดภาษีได้พยายามจะปล่อยวางลดความอยากแล้วครับแต่ว่าเกรง เกรงว่าจะกระทบกับธุรกิจการงานอยากจะขอคมแนะ น, นำจากาอาจารย์ครับเออมันต้องกระทบแน่น่ะมันในที่สุดก็ต้องออกจากงานวนะ่ามันจะต้องไม่อยู่ในในโลกแล้วมันต้องไปอยู่แบบนักบวชถึงจะสามารถตัดความอยากทั้งหมดให้หมดสิ้นไปได้นอนฟังเทศพระทุกคืนเลยครับทุกคืนยังไม่ถึงสิบนาทีก็หลับไปแล้วอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาป ไม่ได้บุญอะไรไม่ได้บุญจากการทำธรรมไม่ได้ปัญญาไม่ได้สัมมาทิฏฐิท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรให้ยึดหมายความว่าอย่างไรครับก็ไม่มี้ร่างกายก็ยึดไม่ได้ทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก็ยึดไม่ได้สามีภรรยาลูกต้าก็ยึดไม่ได้พรายในนี้สึกก็ต้องมีการทัดภากจากกันไปใจก็ต้องอยู่ตามลําพังเป็นดวงเป็น ญ, ญาณ ยึดได้สิ่งเดียวว่าคือบุญรบาปเท่านั้น ท, ที่จะติดตัวไปฝันถึงคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราครับเขาต้องการอะไรครับออถามเขาสิแล้วกขเข้าฝันนะ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเป็นมะเร็งมันทุกข์มากๆควรจะวางใจอย่างไรครับฟังพระอาจารย์มาสี่ปีพอมาเจอกับตัวเอง สองวันแรกร้องไห้ตลอดครับพอวันที่สามวางใจได้บ้างน้อมฟังธรรมครับต้องถามตัวเราว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเราอยากให้ไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราห้ามร่างกายได้หรือเปล่าห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าเราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจารมันไม่แน่นอนบางทีเดี๋ยวมันก็ สุขสบายดีเดี๋ยวบังทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราอยากไว้ควบคุมบังคับให้มันไม่ไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บเวลามันเป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นแล้วก็ปล่อยไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ใจเราก็จะหายทุกข์ทำพิจารณาด้วยปัญญามองข้างกายเห็นว่าเป็นตายดักเป็นอนีจจังไม่เที่ยง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาสั่งมันไม่ได้ที่ทุกข์เพราะ่เราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความต้องการของมันต้องตามใจร่างกายอย่าไปตามใจเราว่าร่างกายเขาเหนือเราเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้เขาอยากจะเจ็บไา้ได้ป่วยเขาก็เจ็บไา้ได้ป่วยแต่เราไม่อยากเขาเจ็บไขยได้ป่วยเราก็เลยทุกข์ขึ้นมา ถ้าเรารู้ว่าเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาอยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปปล่อยเขาไปเขาอยากจะตายก็ปล่อยเขาตายเราไม่ได้เป็นรน่างกายเราไปกลัวทําไมเราไม่รู้ความจริงตรงนี้เราเป็นใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือชั่วข่าวเท่านั้นเองวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปวันหน่งไม่ก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็หนร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ใจเราก็จะไม่ทุกผมนั่งภาวนาดูลมจนลมหายสงบนิ่งไปสักพักก็กลับเกิดการคิดเข้ามาแทกความสงบหายไปควรทำอย่างไรครับก็ถ้าอยากจะให้สงบต่อก็ดูลมต่อไปเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นรอบใหม่เริ่มต้อนรอบใหม่รอบลรกกำลังของสติหมดลงแล้ว ใจกำลังคิดถ้าอยากจะให้ใจหยุดคิดก็ต้องเจริญสติใหม่เจริญน า, นาปนันสติใหม่ดูหูปใจเข้าต่อไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบใหม่อีกรอหนึ่งเพื่อนตั้งใจบวชสามเดือนเข้าพรรษาแต่ได้เดือนเดียวก็ร้อนจนต้องสึกจะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับไม่เรานั้นเป็นตัญหาความอยากความอยากเสพกลางความอยากเสพรูปเสงกลิ่นรดความอยากหาความสุขจากราบดลดชนะเสริม เม่ติดพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเหมือนคนติดยาเสพติดยังไม่สามารถที่จะตัดความอยากเสพสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยต้องเสือกมากสำนักพุทธจำบาปมากไหมครับเข้ามาควบคุมพระสงฆ์ทําให้เดือดร้อนไปทั่วครับเมื่อหลอกสำนักพุทธเข้ามารับใช้รับรับใช้พระพุทธศาสนาไม่ได้มาควบคุม ภาพมีพระธรรมวินัยอยู่แล้วที่ถูกควบคุมอยู่ท่านนักพูดก็เพียงแต่อยู่ในกรอของพระธรรมวินยัยท่านนักพูดไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะกําหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมาได้ด้วยตนเองท่านนักพูดจะทําอะไรต้องปรึกษากับพระมะมะเทระสมาคมผู้เป็นผู้ปกครองอของสงฆ์มหาเทรสมาคมเป็นผู้พิจารณาถ้าต้งมีการตั้งกฎระเบียบอนใดขึ้นมาแล้วต้องเสนอขึ้นไปให้กับ มหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมโดยทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสั่งการให้ผสงค์ทั่วประเทศปฏิบัติตามตามคำตามคำสั่งได้ถ้าราเมิดก็สามารถที่จะจับสึกได้การเป็นแค่ผู้ดูที่ไม่หลงไปยึดกับความสุขความทุกข์ความสงบต้องทำอย่างไรครับก็เฉยๆไม่ยินดีน ไ, ดไม่อยาก เป็นโรคพนนิกครับเราควรดึงสติมาอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าครับอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับคำาบจารณกรัมก็ได้อยู่ ก, ก, การสวดมนต์ก็ได้แล้วแต่วิธีไหนที่จะทำให้ใจเราสงบหายแพนิกได้ก็ใช้วิธีนั้นได้ขอพระอาจารย์ไม่ตาขยายคําว่าสุญญตาคือความว่างครับไม่มีต้องขยายความหมายก็ไปเปิด ดิจิแนลลี่ดูก็ได้ความว่างก็ว่างไม่มีอะไรก็ความว่างนี่ที่มันมีว่างหลายแบบว่างทางด้านทางด้านอะไทางทางทางโลกที่เราอยู่เนี่ยโลกทาะแทกเราก็ว่างเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนว่างๆไม่มีบ้านไม่มีเช่ามันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นความว่างแบบอย่างส่วนความว่างทางด้านจิตใจก็คือใจเราว่างไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความว่างอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นความว่างอันเดียวกันความว่างทางกายภาพกับความว่างทางจิตใจนี้ไม่เหมือนกันก็เลยยากกันถ้าเราสั่งตัดผ้าไตรส่งไปถวายพระทางไตรสเนีเราสามารถได้บุญเหมือนกับเราไปถวายที่วัดเองไหมครับได้ได้บุญเหมือนกันการเป็นถามพระอาจารย์ครับ การสวดพระอภิธรรมในงานศพจะช่วยอะไรคนตายได้บ้างครับแต่ทําไมถ้าไม่ต้องสวดพระอภิธรรมไม่ต้องสวดมรติกาอย่างนี้ทําได้หรือไม่ครับได้ความจริงสวดไม่ได้ช่วยคนตายคนตายไม่รู้เรื่องแล้วเวลาตายไปในไทยยังมานั่งสวดใครยัมเาเคาะโรงคนตายก็ไม่รู้เรื่องแลนั้นการสวดนี้เขาทาเป็นตามมาเพณีมาเท่านั้นเองอุบายก็คือต้องการให้คนเป็นได้ฟังมากกว่า ส่วนนี้ไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่คนเป็นก็ไม่ฟังอีกคนเป็นที่ว่าสวด น, นั่งสวดก็เลยนั่งคุยกันแทนเวลาไปงานสวดนี้บางเวลาพระสวดนี้จะเห็นคนคุยกันกเซฟก็เซฟกันไปเอาจริงก็สวดให้สวดให้คนเป็นฟังเพื่อคนเป็นจะได้มีสติมีปัญญาเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าถ้าจะพูดตามตรงก็ จะวิธีทำสมนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีผ้ามาสวดอภิธรรมใดอย่างไรเอาไปฝังได้เลยเอาไปเผาได้เลยนอนสมาธิได้ไหมคะอาจารย์ได้แต่จะมันมันจะไม่ได้สมาธิมันจะได้ดับแทนเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าระหว่างบุญกับบาปที่ผ่านมาอย่างไหนมีมากกว่ากันเพราะว่าทำบุญก็ทำบาปก็ทำครับแล้วเพิ่งมารักษาศีลครับ ก็ส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เรานอนหลับว่าต้องฝันดีเราฝันร้ายถ้าฝันน้ายก็แสดงว่าบาปเรามากกว่าบุญอีกวิธีหนึ่งก็คือดูใจเราว่าเรามีสุขมากกว่าทุกข์หรือมีทุกข์มากกว่าสุขถ้าใจเรามีความสุขมากกว่าทุกข์ก็แสดงว่าใจเรามีบุญมากกว่าบาปถ้าใจเรามีความทุกข์มากกว่าสุขก็แสดงว่าใจเรามีบาปมากกว่ามากกว่าบุญก็ดูได้สองทางด้วยกันขณะที่เราตื่นก็ดูความรู้สึกของเราในใจเรา ว่าเราสุขมากกว่าทุกข์้รือทุกมากกว่าสุขเวลานอนหลับถ้าเราฝันฝันได้แล้วฝันฝันดีแล้วฝันไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าเรามีบุญหรือมีบาปมากกว่ากันฟังธรรมหลวงตากับคุณหมอเปิดผ่านบลูทูธคิดเสมอว่าเจ้าที่เจ้าทางฟ้าดินท่านได้ฟังสาธุบุญด้วยเชื่อว่าสิ่งมองไม่เห็นมีคิดอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่แม่นล้วการพิสูจน์ไม่รู้มีหรือเปล่ากไม่รู้มันอาจจะมีในกรณีของคนอื่นแต่มันอาจจะไม่มีในกรณีของเราก็ได้พราะคนเราไม่เหมือนกันมีพี่สะพ้ายทำของใส่ครับอยู่ๆก็ร้อนทั้งที่อากาศดีมีบทสวดมนต์ไหนจะช่วยได้บ้างไหมครับอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ไม่เคยสนใจครับเรื่องศยศาสตร์ต่างๆ ใจร้อนก็ทำใจให้สงบเท่านั้นมันก็หายร้อนได้ถ้าใจร้อนก็ทำสมาธิพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปทำใจให้หยุดหยุดคิดทำใจให้สงบแล้วความร้อนก็จะหายไปความเย็นก็จะเข้ามาอาจารย์ครับผมเป็นโรคปวดหัวรุนแรงและศึกษาธรรมะว่าจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์ตอนแรกไม่เข้าใจแต่พอฝึกสมาธิ บางครั้งรู้สึกว่าขณะเราปวดหัรุนแรงจะมีเสี่ย ว, วินาทีที่เรารู้สึกไม่เจ็บครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากผมเลยอยากสอบถามว่าถ้าผมฝึกจนเข้าชานได้ความเจ็บปวดจะหายไปไหมครับหรือว่าทั้งหมดที่ผมคิดคิดไปเองครับคือถ้าเข้าสมาธิความเจ็บปวดทางใจหายไปในความเจ็บปวดทางร่างกายนี้อาจจะไม่หายหรืออาจจะหายก็ได้ไม่แน่นอนเพามันคกน็เรื่องต่าง การนั่งสมาธิมีการเพื่อทําใจให้สงบให้ความทุกข์ใจหายไปแต่ไม่ได้ทําให้ความปวดของร่างกายหายไปนั่นก็มีโรคภัยไข้เจ็บพักก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลส่งไม่เสียเงินเสียทองให้พักทุกคนเข้าสมาธิแล้วพอจิตสงบปั๊บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายไปไม่หายหรอกคนั้นเรื่องกันร่างกายกับใจเป็นคนส่วนกันวิธีรักษาไม่เหมือนกัน ถ้ามีคนที่ตั้งใจของเงินเราเอาไปทําสิ่งที่มีไม่ดีโดยที่เราก็ไม่รู้ครับอย่างนี้เราเป็นบาลด้วยไหมครับไม่บาลด้วยเราได้บุญเพราะการให้ของเราเนี่เป็นการให้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเอาไปทํำสิ่งที่ไม่ดีเราเราให้เขาไปนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรเพราะเป็นการสนับสนุนให้เขาไปทําความเสียหายให้แก่ผู้ก็ไม่ควรที่จะกระทา mm. ถึงแม้ว่าเราให้นี้เป็นบุญก็ตามแต่ให้เราให้เขาไปทําบาป กับู้ <Ừ. S 1> ก็ไม่ควรที่จะกระทำตายแล้วเกิดทันทีใช่ไหมครับถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่แ น, น่อย่างน้อก็ต้องรอเก้าเดือนนะไปอยู่ในท้องแม่ก่อนแะก่อนที่จะไปอยู่ในท้องแม่ได้เนี่อาจจะต้องไปเป็นไปนรกหรือไปไปไปสวรรค์ก่อนขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําว่าไหมีมากกว่ากัน โยมเคยขัดข้องใจเมื่อไปวัดแล้วพระท่านตําหนิญาตโยมที่ทําบุญน้อยทําให้โยมไม่อยากไปแต่โยมเคยไปวัดนี้นานแล้วทําให้โยมต้องไปวัดแบบจําใจแต่แล้วโยมก็คิดว่ามันเป็นอนิจจังทําให้โยมไปวัดนี้อีกครับก็เราเลือกได้ถ้าเราคิดว่ามันเปนเรื่องที่เราไม่ศรัทธาวัดที่ไม่ศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนวัดได้เหมือนเหมือนไปหาหมอที่ทีโรงพยาบาลนี่ไปที่คลินิกนี่ยถ้าไปหาแล้วมันเราไม่มีศรัทธาหมอนี่แล้วก็เปลี่ยนหมอได้ใช่ไหม ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตลอดเวลาที่ว่าอาดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันมีไหมครับผมเราควรจะวางจิตอยู่กับอะไรในปัจจุบันครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนทะ่นั้นเห็นตอนนี้เราคุยกันนี่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เราสนานาธรรมกันแต่ถ้าเราชั่วโมองหนึ่งกลับมาดู มันยังมีอยู่แต่มันไม่ได้เป็นของจริงแล้วมันเป็นของเป็นความจำแล้วเพราะของจริงมันหมดไปแล้วอันนี้ก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตหรืเกิดขึ้นในอนาคตเราเพียงแต่คิดถึงมันเราส่งจิตไปถึงอดีตก็คิดถึงเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เมื่อปีที่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดในปัจจุบันแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วอนาคตเราคิดว่าจะไปทํารุ่นทํานี้แต่เราก็ยังไม่ได้ทํา มันก็ยังไม่เกิดจอก่อนจะถึงเวลาที่เราจะไปทํามันก็จึงจะเกิดมันก็เป็นเวลาปัจจุบันในตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในแค่ในปัจจุบันเท่านั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตและเกิดขึ้นในอนาคตเงี้ยถ้าเราอยากจะควบคุมการกระทาําของเราเราก็ต้องอยู่ในปัจจุบั น, นคอยดูว่าตอนปัจจุบันนี้เรากำลังจะทําอะไรเร า, าจะทําบุญหรือกำลังจะทำบาปเพราะเราจะทําได้ในช่วงในปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง ไม่ได้กลับไปทําในอดีตไม่ได้ไปทําในอนาคตถึงมแม้เราจะกําหนดว่าพรุ่งนี้จะไปทําบุญแตพรุ่งนี้มันก็รอก็ต้องร อ, ง อ, งองให้พรุ่งนี้มาเป็นปัจจุบันก่อนนะตอนนี้มันเป็นอนาคตอยู่เรายังทําบุญไม่ได้เพราะมันยังไม่เป็นปัจจุบันแต่พอพรุ่งนี้มาเป็นปัจจุบันปั๊บเราก็ทําบุญได้ทันทีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่มีไม่มีเวลาอื่นถ้ามีสติเราจะรู้จะรู้ว่า ทุกอย่างนี่มันมีแค่ปัจจุบันเพราจิตจะนิ่งจิตจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ปูงแต่งไปแต่อดีตไม่ปูงแต่งไปอนาคตก็จะเห็นว่ามีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีคำพูดคำหนึง่งไม่ทาาราบกับพูดว่าอาดีตก็รู้ท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดไม่ติดเพราะรูนว่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆยึดติดก็ไม่ได้ยึดติดแล้วก็ี๋ยวเสียใจ ปัจจุบันสุขอยากให้มันสุขไปนานๆพอมันไม่สุขปั๊บก็ทุกใจขึ้นมานี่คือการการปฏิบัติต่อต่อเวลาสามเวลาด้ไหมอนาคตก็รู้ทันอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์รู้เท่าก็รู้มันเป็นอดีตไปแล้วเป็ น, หนเหมนมันผ่านไปแล้วรู้ทันก็รู้มันยังไม่เกิดอนาคตรู้มันเกิดแค่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็อย่าไปยึดอยาไปติดไว้ทุกอย่างเกิดก็ดับไปเขาด่าปุ๊บมันก็ผ่านไปแนะล้วเรายึดติดเอาเองเขาด่าเมื่อเช้านี้เรายังเอามาคิดอยู่ในตอนนี้อยู่ีเราไปดึงอดีตกับมาในปัจจุบันโดยใช่ทั้งทั้ง ท, งที่มันผ่านไม่ต้องงานแล้วถ้าเราไม่ไปยึดไปติดแล้วก็เลื่มันไปแนละ้วเขาด่าแล้วเขาชมแล้วมันก็ผ่าน หนูสังเกตร่างกายเหมือนจะมีไข้ตัวร้อนนั่งสมาธิในรถเมย์พอเปิดตามาไข้หายหรือมีอาการปวดคอเข้าสมาธินั่งสมาธิในรถเมย์พอเปิดตามาหายปวดคอการเข้าสมาธิคือการพักใจเพื่อให้กายกับใจแยกหนูคิดถูกไหมครับก็โดยโดยหลักก็คือให้ใจพักพักใจมากกว่าจะแยกก็ไม่แยกก็ไม่ไม่ไม่สำคัญสาคัญคือทําให้ใจสงบแล้วใจมีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไร มีโรครุมเร้าหลายโรคจะใช้ธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ใคลายทุกข์ได้ครับก็เรา่องกรรมเป็นของตนเราเคยทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเรนทุนรับผลของบุ ญ, ข อ, บญของบุญของกรรมนั้นก็แสดงว่าถ้าเรามีโรคมีภยัยค่าเจ็บมากก็แสดงว่าเป็นผลของบาป ท, ที่เราเคยทํามาในอนดีตตอา น, นี้มันส่งผลขึ้นมาในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับไปทั้งนั้นเองแล้วใจก็จะไม่ถุก ยอมรบ ว, ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามถ้าสุขก็รู้ว่ามันเป็นวิบากของบุญที่เราทำมาถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเป็นวิบากของกรรมที่เราทำมาเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันความปรุงแต่งของสังขารเป็นเรื่องที่ทางานตลอดเวลาเป็นปกติ เราห้ามมันไม่ได้เราแค่เป็นผู้ดูที่ไม่หลงไปกับความปรุงแต่งใช่ไหมครับนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วเราสามารถสั่งให้มันปรุงแต่งไปในทางที่ดีได้ให้มันคิดไปทางปัญญาได้คิดในทางตารับได้คิดในทางอัสุภาพได้แต่ถ้าเราไม่สามาั่งมันไม่มีธรรมะดิเรกนั่นมักจะสั่งให้เราไปคิดไปในทางความโลภโ การที่เราใช้คําบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องหล่อให้จิตสงบพอถึงจุดหนึ่งที่เราเห็นความคิดเกิดแล้วดับแล้วทําให้เราเติดความสงบเราต้องทํำยังไงครับเก็พยายามให้มันสงบบ้างว่าเพราะความสงบได้มีคนมีมีคุณประโยชน์กับจิตใจทําให้จิตใจมีความสุขพยายามปฏิบัติไปยังถ้าเราชนานาญสามารถทําจิตให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการและเราแทบจะไม่มีความทุกข์เลย เวลาทุกข์กับอะไรก็สั่งให้มันสงบปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปทันทีพอะปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราต้องปล่อยวางจิตยอย่างไรครับก็เหมือนกับร่างกายพิจารณาจิตเหมือนร่างกายว่าเป็นตายนะเป็นของไม่เที่ยงมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามที่เราอยากมันก็จะทําทให้เราทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้เขเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะอารมณ์ดีก็รู้ว่าเป็นอารมณ์ดีวันนี้วันนี้อารมณ์เสียก็รู้ว่าเป็นอารมณ์เสียไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปด ป, ปวนมันนินฟา้าขาดไปอยู่กับมันไปนั่นเลยมันก็มันก็จะคลายของมันไปเองทุก อ, อยาก่างเป็นไปอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะไม่ทุกกับมันถ้าเราต้องการความสุขเราจะไม่มีความทุกหาไม่มีหาไม่มี ถ้าเราต้องความต้องการความไม่สุขทุกข์ตาหากหล่ะถึงจะห า, า, าความสุขร่มเย็นนี่ได้จริงออกข้อคอมเมนต์ครับอาจารย์ต้องไม่มีความต้องการเลยถึงจะไม่ถึงจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใจเกิดจากความต้องการของเราต้องการให้มันสุขต้องการให้มันไม่ทุกข์อย่างนี้พอมันไม่สุขก็ก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันทุกข์ก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความต้องการปล่อยให้มันได้ทุกรูปแบบ จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาทั้งสามนี้ช่วงนี้ติดการเสพข่าวครับทําอย่างไรจึงจะเลิกเสพข่าวได้ครับก็ปิดมือถือใช้แต่โทรศัพท์ใช้แต่ให้แต่รับส่งข้อความต่างๆไม่ไปสนใจติดตามขา่าวพอเข้ามาแล้วมันก็มามาสร้างความคิดปรุงแต่งในใจเราให้เราเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายขี้วีนทําสมาธิจะช่วยได้ไม่ครับหรือต้องใช้วิธีอื่นครับได้แต่จะไม่ให้หาแต่จะไม่หาอย่างเท้าอ่อนถ้าจะหาอย่างเท้าอ่นต้องเปลี่ยนนิสัยเราอย่าไปจูจ้จี้จุกจิกอย่าปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ยินดีตามมีตามเกิดเป็นนิสัยสันโดษใครชมก็ได้ใครด่าก็ได้ใครทําดีกับเราก็ได้ใครไม่ทําดีกับเราก็ได้ แล้วเราจะไม่โกรธใครง่ายๆสั ม, มาสมาธิที่ตั้งมั่นเพื่อประหารกิเลสจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับวยการยราสติอานาป น, นาสตินั่งดูลงหายใจออก็เมพุทา น, นัสสติคำบริกรรมพุทโธ น, นี่แหละจะทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิที่เรียกก็เป็นสำ ม, มาสมาธิขึ้นมา คนที่บวชชีเขาเอาเงินที่ไหนใช้ซื้อของจําเป็นของผู้หญิงหรือรักษาโรคเวลาเจ็บป่วยครับเพราะชีไม่สามารถเดินบินทบาทได้หรือคนที่จะไปบวชชีอยู่วัดต้องมีเงินเก็บเพียงพอครับเคยชีนี่มีที่ไปอ ย, อยู่หลายที่เลยไปตามวัดต่างๆก็ได้วัดหวงว่าเทวะรับแม่ชีแล้วเขาก็ดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือแม่ชีเช่นอาหารที่ได้จากบินทบาทก็แบ่งให้ที่เหลือก็แบ่งให้แม่ชีรับประทานก็ได้ หรบางสำนักเป็นสำนักแม่ชี น, นู้นนู้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาไปทำบุญกับสำนักแม่ชีก็จะมีมีรายได้ที่สามารถที่จะมีลรงครัวเพื่อที่จะทำกับข้าวตะปาในแม่ชีได้อันนี้สำหรับผู้ที่ไปอยู่ตามวาดัดตามสำนักแม่ชีตา่างๆแล้วก็มีคผู้หนึ่งที่เขามีเงินทองที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานแล้วพอเขากเกษียณเขาก็อยากจะบวชชีแต่ยังไม่อยากไปอยู่กับใครเขาก็อยู่ที่บ้านไป แล้วกาสายเงินทองของเ้าที่ก็มีอยู่นี้เลี้ยงดูเข้าไปก็มีเหมือนกันฉี น, ฉนี้มีมีหลายรูปแบบเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นนักบวชที่ทางการรับรองว่าเป็นนักบวชเหมือนพระเลยไม่มีกฎระเ บ, รบียบบังคับจะอยู่แบบไหนก็ได้อยู่บ้านชี้บ้านก็ได้จะอยู่ชีวัดก็ไดบ้บางวันก็ให้ไปบิณฑบาตก็ได้อย่างที่สายรับบิณฑบาตจะมีแม่ชีมาจากสำนักใกล้ๆวัดยานอยู่รูปหนึ่งเดินตามท้าย ตาท้ายตามท้ายแถมภาพภาวัญยาทุกวันท่านก็เลยปฏิบัติพอสบายเลยนะคะรับอาจารย์ก็ไม่ต้องหาก็แล้วแต่ถ้ามีที่ไหนที่บีนบาทแล้วคนเข้ใส่บาตให้ก็สามารถเบียนบาทได้แต่จะผิดกฎหมายก็ได้เแต่ตำรวจก็อาจจะไม่จับเอ อ, อ ไ, มไม่ผิดตรองเพราะว่า ไ, ไ, ไม่ได้แต่งกายเรียนแบบพระ ถ้าไปแต่งชุดสีเหลืองสีกากนี่อาจจะถูกจับได้เพราะว่าทางพระทางเทววานีชไม่มีแมชีไม่มีภิกษณุณีไม่ผู้หญิงกลโหแล้วนุ่งนุ่งเหล้วผหมเหลืองไม่ได้ถือว่าเป็นการเรียนแบบพระอาจจะผิดถูกจับผิดกฎหมายถูกบังถูกจั บ, ถ, จบถูกปรับได้แต่การขอเดินขอบิณบาตนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาผู้ให้ถ้าชาวบ้านเ็ายินดีใส่ให้ ก, ก็ก็สามารถไปได้ แล้วก็ไม่สายเดินไปแล้วไม่มีข้าวกินเลยก็ไม่รู้จะเดินไปทำไมมีคนถาม a อไอมาให้แล้วครับพระอาจารย์เออตอบอนี้นะครับพระ อ, อรหันต์แท้จริงจะไม่ประกาศตัวว่าเป็นอรหันต์ผู้ที่เป็นอรหันต์จริงย่อมรู้กันในเฉพาะบุคคลบางครั้งรู้กันอยู่ในหมู่พระ อ, อริยเจ้าเท่านั้นครับ <laughs> การใส่บาตรพระบิณฑบาตเราใส่บาตรท่านตามที่เราพบเจอท่านเดินผ่านโดยไม่ต้องเลือกว่าท่านใดบรรลุธรรมหรือไม่เพื่อฝึกจิตใจเราให้รู้จักการทําทานลดความตรหนีใช่ไหมครับได้เป้าหมายหลักของการทำทางก็เพื่อลดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองแล้วก็ให้มีความเมตตากรุณาเพื่อให้มีความสงสารรู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยาก แลก็ลดความโลภความอยากได้เงินได้ทองเพราะการให้นี่ในการเสียเงินเสียทองเป็นการทวนกระแสของความโลภคนที่โลภมากจะเสียได้ยจะตนีจะไม่อยากจะให้แต่คนที่ให้ได้แสดงว่าชนะความตำหนีได้ชนะความโลภที่อยากจะได้เงินทองได้รู้ว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนแต่ด้วยสังขารร่างกายไม่สามารถที่จะเดินทาพรางลําพังได้เสียดาโอกาสครับ ไม่รู้ว่าบุญน้อยหรือเปล่าหรือบุญไม่ถึงครับความจริงไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปถึงตัวพาาระอรหันเราขอให้เราเข้าถึงคําสอนนี่สําคัญกว่าถ้าไปถึงตัวพาาระอรหันแล้วถ้าไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ท่านเราได้อ่านหนังสือของท่านได้ยินได้ฟังธรรมของท่านท่า น, า น, านมีการบันทึกเสียงไว้อันนี้แนหะตัวพระอรหันที่แท้จริงอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสเสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าให้เข้าอ่านธรรมเพราะทำคำสอนพอเห็นธรรมพอเข้าใจธรรมที่ท่านสอนแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเองสี่ห้ารักษาไม่ครบพยายามรักษาได้สี่ข้อครับนั่งภาวนานเลยได้ไหมครับมันไม่เกี่ยวกันอ่ะคือเวลาการภาวนานได้ไม่ได้อยู่ที่การมีสติมากกว่าสี่นี้ก็มีส่วนแต่มันเป็นส่วนน้อย ถ้าเราสามารถนั่งได้ก็แสดงว่าเรามีสินะเพราะเวลานั่งนี้เราไม่ได้ไปผิดสีนข้อไหนใช่ไหมไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปฆ่าสัร์ไม่ได้ไปประพฤติผิดในการมไม่ได้ไปโกหกไม่ได้เด็ดสลายาเบาเราก็ถือว่าเรามีสนหน้าแล้วในตอนนั้นพิจารณ์นั่งแล้วเรามีสติหรือเปล่านั่งแลวใจลอยคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็นั่งไปก็ไม่ได้สมาธิอยู่ดี พระมาขอให้ช่วยบริจาคเงินทําบุญสร้างวัดถ้าไม่ทําเป็นบาปไหมครับไม่บาปไม่บาปไม่ได้บุญ น, น่าจะไม่ควรจะทําก็ได้เพราะพระเจ้าไม่สนับสนุนให้พระมาขอคนที่ไม่รู้จักขณะที่พระสงฆ์บางส่วนทําเรื่องเสื่อมเสียแล้วพระสงฆ์ที่ดีจะเรียกศรัทธาจากโยงคืนอย่างไรครับก็ทํำดีต่อไปเนี่ย ต่อไปเขาก็จะแยกออกเองเหมือนกับผลลามาที่อยู่ในเข่งผลในนาวเขาก็เขาก็แยกผลผลว่าไม้นาวทิ้งไปเก็บไว้แต่ผลลามาที่ดีนั่งสมาธิก่อนนอนมักฝันร้ายครับเป็นบุญหรือเป็นบาปครับเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการแสดงถึงผลว่าเรามีบาปมากกว่า บ, บุญเป็นหนังตัวอย่างว่าตายไปแล้จะจะจะฝันแบบนี้ไปไ ป, ไปเวลา อยาวนานชีวิตหลังความตายมีไหมครับถ้าวันนั้นมาถึงเราควรทําอย่างไรก่อนครับชีวิตหลังความตายก็คือเราจะเป็นโยมิญญาณไปตอนนี้เราเป็นจิตใจแล้ว เ, เราจะเปลี่ยนชื่อจากจากจิตใจไปเป็นโยมิญญาณอนุมิญญาณนี้ก็จะอยู่ในโลกที่อยู่กับบุญหรืออยู่กับบาปก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ท, ที่เราทําไว้ ถ้าบุญบุญเราก็จะเราก็จะเราก็จะได้ความสุขจะได้ประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นขณะที่เราอยู่โลกชิ้นนี้เหมือนกับเราอยู่ในโลกของความฝันเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเราฝันไปถ้าเราทําบุญไว้มากกว่ทาทําบาปเราก็จะฝันดีเราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ถ้าเราทำถ้าทำบาปมากกว่าบุญจาจเราก็จะฝันได้เราก็จะเรียกว่าดาลกหรืออาบาย ขึ้อยู่กับบุญที่บาตที่เราลองทําในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่งั้นตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสามารถเลือกทางไปได้ว่าเราจะไปทางไหนถ้าไม่อยากจะไปทางบาปไม่อยากจะไปนรกไปบาบก็อยา่าทําบาปพยายามรักษาศีห้าให้ใหบริสุทธิ์ล่าที่สุดเท่าที่มากได้แล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ให้พยายามทําบุญทําทานให้มากเราทําเรื่องที่สามเลยถ้าอยากจะไปนิพพานก็ไปบวช เวลากิเลสตัดความอยากทั้งสาให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกินอีกต่อไปนักการเมืองที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนตลอดเวลาแล้วยังมีชีวิตปกติแสดงว่ากรรมเก่าเขาบุญเยอะใช่ไหมครับไม่เกี่ยวหรอกความมีชีวิตเป็นปกตินี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างอืง่นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเพียงอย่างเดียว บุญก็อาจจะมีส่วนบ้างเป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวทั้นั้นที่ทําให้คนสุขหรือทุกข์คนสุขหรือทุกข์มันเกิดจากสภาวะเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเหมนนันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่บุญหรือที่บาปเพียงอย่างเดียวแล้วบางทีทําบุญแล้วมันอาจจะไม่มีส่งผลอะไก็ได้กับชีวิตของเราในปัจจุบันแต่ที่มันแน่นอนมันจะส่งผลก็คือกับจิตใจของเรา ทำบุญแล้วจิตใจเราจะมีความสุขล้วตายไปความสุขนี้ก็จะกลายเป็นสวรรค์ต่อไปได้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของบุญของบาปเนี่ยแต่เรื่องของการอยู่ในขณะนี้อยู่แบบเจริญร่าเริงยศรนสนเสริมหรือไม่ยศเสรมหรือไม่นมนมนมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมามาเป็นตัวกำหนดด้วย บริจาคร่างให้มูลนิธิเวลาตายแล้วไม่สวดอภิธรรมแต่ชาปนากิจได้เลยไหมครับก็แล้วแต่ทางมูลนิธิเขาจะจัดการยังไงเ้าก็ต้องเอาสิ่งนี้ก็ต้องการของร่างกายของเราไปใช้ก่อนถ้าบริจาคให้เป็นครูใหญ่เขาก็จะจกบไว้ให้นักศึกษาแพทย์ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเงื่อนไขของการบริจาคใช่ไหมบหมว่าจะบริจาคในรูปแบบไหนครับเราต้องเลือกว่าเราจะบริจาคแบบไหนครับอาจารย์ครับอืม ไ้มาจากเป็นครูใหญ่ก็อวัยวะก็จะเอาไปใช้ให้คนอื่นไม่ได้ครับก็ต้องเป็นครูใหญ่ใช่ไหมครับเลยเป็นครูใหญ่ครบบเลยครับแล้วก็ไปเผาไม่ได้ไปทําชาปนักกิจไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีจัดบระราชทานเพิงสมให้ครับอาจารย์ครับใช่แต่ไม่มีสมไม่มีสมไปเผาก็ต้องเก็บสมไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่เลยอ๋อตอนที่เรียนครบปีแล้วครับอาจารย์ครับครบปีแล้วไม่ไม่ใช่นะหลังจากเลิกแล้วใช่ครับ แต่ได้ยังใช้อยู่ก็ยังเอาไปเผาไม่ได้ใช่ครับยังไม่ได้ครับถูกโกงเงินครับควรจะทํายังไงดีครับมันเป็นกรรมของเราหรือกรรมหรือกรรมของเขาครับก็อมองได้หลายรูปแบบคิดว่าเราเคยไปโกงเข้ามาก่อนอันนี้เขาก็มาโกงเราไปใ น, นมุมรูปแบบว่าเป็นการทาบุญไปก็ได้ บอกว่าเลิกเสพยามาเกือบสามปีแล้วครับแต่ว่าใจอยากกลับไปเสพอีกจะแก้ไม่ให้เสพยังไงครับก็เห็นทิศของ ม, มันเวลาที่ติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันทรมานไหมให้เห็นโทษของมันมันก็จะอะจะไม่กล้าก็ได้แต่ถ้ากล้าเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเจอปัญหาแบบเดิมเองเรจะทุกข์มากกว่าตอนนี้อันนี้จะทุกข์นิดๆที่มีความอยากนิดๆอยู่ใน ใ, นใจ แต่พอไว้เสแซก็ที่มันจะมันจะทุกข์มากขึ้นความอยากจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมันได้เสกเมื่อไหร่ตอนนั้นมันจะทุกข์มากถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเกิดการเจ็บการปวดเราทําไมต้องไปรักษาดูแลเขาครับกังสารู้ครั บ, รบเออย่งรักษาก็ได้เราเป็นคนรับใช้เราเรายัางเอาใช้เขาอยู่ไม่ใช่เนี่เรายังต้องให้เขาพาเราไปเที่ยวไปกินไปเดินอยู่ เราก็ต้องดูแลรักษาเขาเท่าที่เราจะดูแลได้แต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาังต้องไปจากเรานี่เราก็ห้ามเขาไม่ได้การที่ปลีกตัวไปทําบุญตักบาตรไปวัดตัวคนเดียวจะถือเป็นการทําที่ขาดความกระตันอยู่ไหมครับเพราะบางครั้งที่ไปกับแม่กรนะครอบครัวเรื่องทางโลกเข้ามาขุนมัวจิตใจไม่เหมือนไปตัวคนเดียวครับ ก็ไม่เป็นเรื่องของความอกตันอยูแต่อย่างใดเป็นเรืเ่องของการกระทําของเราส่วนตัวเหมือนกับการไปแต่งงานนี้เราไม่ได้เอาครอบครัวไปแต่งงานกับเราไม่ใช่เหรอเพร า, าะเอาพ่อแม่ไปแต่งงานกับเราด้วยใช่ไหมเราแต่งงานนี้อย่างนี้ไม่ว่าอคตกกันอู่ก็แบบก็เหมือนการการไปทําบุญก็เป็นการไปทําภารกิจส่วนตัวเป็นการไปทาําระทำความสุขให้กับเราถ้ามีคนที่อยากจะไปด้วยแล้วไปแล้วแฮปปี้ด้วยกันก็ไปกันได้ ถ้าไปแล้วมันไม่แฮปปี้ก็อย่าไปด้วยกันแยกกันไปก็ได้หรนอกจากว่ามองเวลาหน้าเขาอยากจะไปเขาไม่มีเพื่อนเราก็ไปในฐานะเป็นเพื่อนกันได้อย่างนี้เราก็จะได้บุญจากการเป็นเพื่อนแม่ไปทําบุญด้วยผู้โอนเงินโอนเงินให้ผู้รับผิดบัญชีและผู้โอนไม่เอาคืนผู้รับโอนไม่อยากได้จึงเอาไปทําบุญ ผู้โอนได้บุญหรือผู้รับได้บุญครับได้ทั้งสองคนนะผู้ก็ได้ตั้งจต่ตอนที่โอนไปแล้วผู้รับก็เอาไปทําบุญต่อก็ได้บุญเองเหมือนกันมีลูกที่ประพฤติตัวไม่ดีครับพอจะมีทางแก้ไขได้บ้างไหมครับก็มองเข้าไปเหมือนผลไม้คนเราก็เหมือนเหมือนผลไ ม, ล ม, ลไม้บางคนก็เป็นสัตว์ประดบางคนก็เป็นมางกรบางคนก็เป็นมะม่วง เราได้อะมาก็อย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาเท่ากันถ้าได้มรรคอมาก็อย่าพยายากให้เขาเป็นสัพพนัสมันก็จบยอมรับตามความเป็นจริงของเขาเขาไม่ดีก็รับรับว่าเขาไม่ดีไปถ้าเราช่วยเขาได้บอกเขาได้สอนเขาได้ก็บอกไปสอนไปแต่บอกแล้วสอนแล้วเขาไม่เปลี่ยนก็ยังจะเป็นมนรรคออยู่ก็ต้างขวยให้ก็เป็นมนรรคอต่อไป แม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคาที่ท่านหมดอายุไขแล้วใช่ไหมครับท่านทำบุญเข้าวัดเยอะทำสมาธิท่านจะไปในที่ที่ดีใช่ไหมครับท่านหมดแมนะ้วไม่ได้หมดอายุไขมัคนคงจะเหมือนกันนัหมดลมหายใจร่างกายไม่ทำงานนะมันก็หมดลมหายใจส่วนจะไปดีไม่ดีก็ อ, อยู่ที่ว่าท่านทำบุญเรือทำบาปมากกว่ากันทำบุญมากกว่าทำบาปก็ไปดีทำบาปมากกว่าทำบุญก็ไปไม่ดี สามีเป็นคนคิดลบกังวลครับทาให้เราไม่สงบเราควรยึดหลักทมข้อไหนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบครับก็แยกความคิดของเขาความคิดของเราออกจากกันเลยเขาจะคิดอะไรเราก็ห้ามก็ไม่ได้เราก็คิดในทางบวกไปของเราคิดในทางบวกก็ไม่ดีทางลบก็ไม่ดีควรจะคิดไปในทางความจริงดีกว่าความจริงก็คือทุกอย่างอราให้จทุกคังนาตาคิดแบบนี้ราจะสบายใจ ส่วนตรงไหก็จะคิดในการก็เรื่องของเขาไปพ่อแม่โอนทรัพย์สินให้ลูกได้บุญไหมครับถ้าได้บุญจะเป็นบุญเหมือนบริจาครงพยาบาลหรือบริจาคปัจปจัยกับวัดไหมครับไม่เท่ากันหรอรกก็่าให้กับคนใกล้ตัวเราให้กับคนที่เป็นเป็นลูกเรานี่มันได้น้อยกว่าเพราะมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ชนะความยึดติดเหมือนกับเราบริจาคให้กับคนที่เราไม่รู้จักโรงพยาบาลนี่ คิดว่าการบริจาคให้กับคนที่เราไม่รู้จักนี่จะได้บุญมากกว่าการบริจาคให้กับลูกของเราเพราะลูกของเรานี่เราถือว่าเป็นเหมือนอวัยวะของเราเป็นตัวเราก็เหมือนกับให้เงินกับตัวเราดีๆนี่เราไปซื้อของมาต่างๆให้กับตัวเรานี่เราไม่ได้บุญเลยแต่ถ้าเราไปซื้อของหน้าไปใส่บาตนี่เรากลับได้บุญใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเราทําเพื่อคนอื่นแต่สำหรับลูกเรานี้มันเหมือนเป็นตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของเรา เป็นอวัยวะของเราก็ว่าได้เราก็จะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้บ้างแต่ไม่ไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราไปทับกับวัดทับกับโรงพยาบาลถ้าเราเคยบนไว้หลายที่ครับแต่พอได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วจำไม่ได้ครับว่าบุญที่ไหนบ้างอย่างนี้แกอย่างไรดีครับไม่ต้องแกแล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนที่โลเลคนที่ไม่มี สัจจะถ้าอยากจะแก้เข้าหน้าเวลาบุญอะไรก็จดไว้สิเอาไปบุญที่ไหนบ้างจําได้อดีตมันผ่านไปแล้วเราไปแก้ไม่ได้แต่อันนี้เขาทลายเองต้องบุญอยู่แล้วก็ทุกครั้งที่ไปบุญอะไรก็จดบันทึกไว้วัวนี้เราเป็นโทรศัพท์มือถือยิ่งง่ายใหญ่ไทยถายคลิปไปเลยก็เดอ่ม <laughs> <laughs> ันด้วยมันด้วยไปบุบนที่ไหนเราจะได้จําได้พอถึงเวลาเราจะได้ไปแก้บถูกถูกที่ ผมฝันเห็นพระอริยเจ้าแบบนี้ใจเป็นบุญใช่ไหมครับไม่แน่นอนอ่ฝันเห็นเห็นจอยก็ไม่ได้ว่ า, าจะใจจะเป็นบาปที่ไหนมันฝันได้ความฝันนี้ไม่ได้มีตัวบอกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปสามีปฏิบัติธรรมแต่มีผู้หญิงอีกคนพอทถามถามว่าไม่กลัวบาปหรือเขาไม่บาปอยากถามอาจารย์ว่าบาปไหมครับมอนมีแฟนอีกคนหนึ่ง เาบาเพื้นสิทธ์ในกลางต้องมีแฟนคนเดียวต้องมีภรรยาคนเดียวถ้าไป ม, มีเพิ่มขึม้นในบ้านบ้านน้อยบ้านใหญ่ก็ถือว่าบาทนะคนที่เป็นจิตแพทย์สามารถจะบวชได้ไหมครับก็แล้วแต่อุปชาว่าสามารถที่จะถ้าสามารถพิจารณาเห็นว่าเขาสามารถเอาพื้นตนในธรรมวินัยได้ก็าจะบวชได้ก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่สามารถปรบพุทธชนได้ทําในวินัยทํากิจวัตรต่างๆของพระอยู่ในการซ้ำลมเหมือนพระเั่วไปได้เขาอาจจะไม่ให้บวชก็ได้หรือก็อาจจะให้บวชแบบเป็นบวชเป็นพระขาวไปก่อนมาอยู่วัดสักปีสองปีหรือว่าพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าเป็นพฤติกรรมที่ปกติไม่มีปัญหาก็อาจจะบวชได้ ไม่กล่าวร้ายใครไม่นินทาใครถือศีลห้าสวดมนต์เป็นประจำแต่นั่งภาวนาพุโทโธได้ไม่นานเพราะเป็นโรคเขาเสื่อมทำได้แค่นี้จะถือว่าทำตามพระพุทธองค์ได้ไหมครับก็ได้แต่ได้น้อยไงมันมีเกรดอ่ะมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดอันนี้ก็จจะได้หนึ่งจุดไปก่อนฝึกนั่งสมาธิแต่จิตไม่สงบเลยครับพราไม่มีสติ ไปยอาฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมาเน่าใช้ทาบริกรรมพุทโธไปก็ได้ใช้ร่างกายเป็นเป็นเป้าหมายของการเจริญสติก็ได้คือคอยเฝ้าดูร่างกายในทุกกิริยาบุตรในทุกการเคลื่อนไหวแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นเวลาเนา่าจิตก็จะสง บ, บได้ง่ายขึ้นทำบุญร้อยวันจำเป็นไหมครับอาจารย์ คือทำบุญนี้เราได้รับประโยชน์สองอย่างได้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ที่ต้องรับไปแล้วถ้าเรารับาห่วงคนที่ตายไปแล้วเราอยากจะให้เขาได้บุญเราก็สามารถทำบุญเมื่อเราทำบุญแปบนี้เราจะได้บุญกับกับตัวเราแล้วเราสามารถแบ่งบุญของเรานี้ให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้วได้ยิ่นถ้าเราอยากจะสะสมบุญทั้งตัวเราทั้งกับผู้ที่ตองรับไปแล้วการทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดี เราก็จะได้มีบุญสะสมไว้เพราะบุญที่เป็นเหมือนเงินที่เราไปฝากในธนาคารเราไปเวลาเราออเดินทางจากโรกนี้ไปเราต้องอาศาัยบุญเป็นเป็นเป็นเงินสำหรับจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปแล้วก็จะเป็นไหมือขอทานเราก็จะมาขอบุญจากคนที่ญาติของเราที่ยังไม่ตายให้ทำบุญส่งไปให้เรา เวลานอนไม่ได้ฝันร้ายแต่ฝันแล้วรู้สึกตื่นเต้นดูเหนื่อยอย่างนี้ตายไปจะไปไหนครับอาจารย์อมันก็ไม่ดีนะทําตื่นเต้ น, นเปหนื่อยครับก็ต้องไปอภัยอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะสัตว์เดรัจฉานมันตื่นเต้นง่ายมันเหนื่อยง่ายมันต้องคอยวิ่งหนีอยู่เรื่อยวิ่งหนีวิ่งนีไผ่ต่างๆอยู่เรื่อยถ้าเป็นผู้หญิงอยากไปนิพพานครับจะต้องบททีบทพระไหมครับ ถ้าบวได้มันก็จะเร็วเหมือนขึ้นทางด่วนถ้าคับรถอยู่ใต้ทางด่วนมันก็จะช้าหน่อยอาจจะไปไม่ทันเวลาก็ได้เพราะชีวิตเรามันไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่แต่ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วมันโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางมันมันจะเร็วกว่าเยอะคารวาสบาลุธรรมได้ไหมครับได้ทุกคนเนียไม่ว่าจะหญิงจะชายเป็นเด็กนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นพระนั้นเป็นคารวาส ถ้าสามารถปฏิบัติทำตามที่คุณเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้ก็สามารถบรรลุได้ตอนนี้ฟอกตายอยู่ครับควรมีความคิดยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างไรครับก็ น, นเราสอนว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นคนรับใช้เราอันนี้มันไม่สบายเราก็ต้องดูแลมั็นไปตามตามกําลังเท่าที่เราจะาสามารถทําได้ถ้าถึงเวลาเราก็ต้องให้ ก็ต้องถึงเวลาต้องให้มันตายก็ต้องยอมปล่อยมันตายไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายของร่างกายทีหนึง่งความฝันเป็นนิมิตบอกเหตุล่วงหน้าได้จริงหรือไม่ครับท่านบางคนเขาวอาจริงนะอันนี้แล้วแต่ประสบะการณ์ของแต่ละคนถ้าใส่บาตรพระอรหันเราได้บุญบา ร, รมีเต็มไหมครับ ได้เท่ากับพระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าการให้นี้มันไม่ว่าใครเป็นผู้รับนี้บุญที่เกิดจากการให้นี้มันเท่ากันแต่บุญที่เกิดจากการจะได้รับของตอบแทนนี้มันไม่เท่ากันถ้าเราไปทําบุญกับพระอรหันต์แล้วไปฟังธรรมของพระอรหันต์นี่เราก็จะได้ทําขั้นสูงแต่ถ้าเราไปทําบุญกับพระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระธรรมดาเวลาท่านแสดงธรรมท่านก็จะเอาทำขั้นต่ํามาแสดงให้กับเรา กันนี้จะต่าเป็นบุคคลทางการแพทย์ครับถือศีลห้ามาปีแล้วและตั้งใจจะถือศีลห้าตลอดชีวิตแต่ทำงานไปคนอื่นจะมองว่าเราประหลาดกว่าคนอื่นและชอบพูดประชดประชันตลอดแรกก็ใจรู้สึกอยากตอบโต้หลังก็ปล่อยเขาพูดไปปล่อยเขาทำกระทบไปแต่ทำไมเรายิ่งนิ่งเขายิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นก็รู้สึกสงสารเขาเราควรจะทาอย่างไรครับ ก็ทำอย่างนี้ต่อไปดีอยู่แล้วสงสารเขาแล้วปล่อยก็าทำไปเราห้ามเขาไม่ได้ก้าวใจอา จ, จอารย์อิชานิสยายให้เราก็ได้ที่เขาทําตามตเราไม่ได้ก็ต้องสงสารเขาเลยเมื่อจิตเฉยๆแล้วต้องทํำยังไงต่อครับก็ให้มันเฉยไปตลอดเฉยไปจนวันตายเลยได้ไดยิ่งดีสบาย ใครห่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครตันงินเดืินก็เฉยกรรมเอ็นยื่งเข้ามาก็เฉยใครตายก็เฉยเฉยหมดทุกอย่างได้สบายใจเลยแต่ไม่ได้อะไรเขาไม่ได้ทําอะไรนะมีหน้าที่อะไรก็ทําต่อไปเป็นหมอก็รักษาวิพยาบาลคนไข้าก็ทําไปมีหน้าที่ก็ทําไปแต่ใจเฉยก็ทุกอย่างใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรกลับอะไรทั้งทั้งสิน้น ผู้บริหารบังคับให้เราออกเงินจ่ายค่าจ้างพนักงานเพราะไม่มีงบและบอกว่าเหตุผลว่าเราทำงานน้อยกว่าคนอื่นแบบนี้ผู้บริหารทำถูกต้องไหมครับคนระเบียบเขาไม่ว่ายัางไงนะต้องว่าไปตามกนระเบียบถ้ากนระเบียบมีอ น, นุญาให้ผู้บริหารสั่งได้เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบ แ, แต่ถ้าไม่มีในกฎระเบียบแล้วก็ไปร้องทุกได้ว่าเราถูกบังคับให้ทาในสิ่งที่ไม่ไถูกถกฎทุระเบียบก็ได้ ตอส่งเรื่องไปสู่ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ที่เขาสั่งเราเอีกทีนี่ยแต่ถ้าเขาเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทเราลองเลยไม่ได้ก็เราก็มีทางเลือกอยู่ต่อไปหรือจ้าออกทางนั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวโยกครับเป็นปกติไหมครับแสดงว่าไม่ส ต, ติไม่ค่อยมีถ้ามีสติเราจะไม่โยก เนี่ยเหมือนตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเรามีสติเรานั่งเราจะนิ่งเนี่ยนั่งกายเราจะไม่ขยับแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเหมือนกำลังง่วงนอนเนี่ยมันก็จะสับสับสับประงกเนี้ยเอ็นไปบ้างบางทีเวลาง่วงนอนสังเกตด้วยนั่งไปบนรถเดินจะนั่งกายมันจะไม่นิ่งเดี๋ยวก็เอ็นเดี๋ยวก็ไปทางซ้ายไปทางขวาอันนี้ก็ลักษณะของการไม่มีสติหรือไ ม, ม่สติน้อยมีคนถามว่าไปบวชชีวัดยานได้ไหมครับอาจารย์ กัญญไม่รับบุตรชีบวชแบบบวชแบบไม่คนหัวได้อยู่บวอยู่บวชเรื่องบวชเนครธรรมะได้อยู่บวชถือสีลแปดแต่อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันเพราะเขามีที่ จ, จำกัดอยู่ได้ไม่นานเพราะต้องแบบงให้คนอื่นมาอยู่ด้วยก็มีการเข้าๆออกๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาส่วนใหญ่ยามว่าถือศีลแปดมุ่งขาวหอมขาวกันเจ็ดวันแล้วก็กับบ้านแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ เราอยากจะอยู่นานต้องไปหาตำแหน่งไม่ฉีดที่ก็อนอุญาตให้อยู่ได้นานๆครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายครับเคยนั่งสมาธิแล้วมีภาพที่ไม่น่ามองแวบมาให้เห็นตอนนั้นตกใจกลัวมากทําให้ไม่กล้า น, นั่งทําอย่างไรให้ไม่กลัวครับก็เป็นภาพเฉยๆนั่นเองภาพมันทําร้ายเราไม่ได้ทาําอะไรเราไม่ได้ก็เราต้องหัดทําใจให้แข็งทําใจให้เฉยเพราสิ่งต่างๆในโลกนี้มัน สามารถปรากดขึ้นมาให้เราได้นรับรู้อยู่เมื่อไหก็ได้ถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ไม่วุ่นวายไม่หวันว่นไหวเราต้องสั่งแต่ว่าไปจากแต่รู้ไปแล้วก็ปล่อยวางไปรู้ว่าเขาไม่สามารถทําลายจิตใจเราได้สิ่งที่จะทําทํำลายจิตใจเราก็คือความกลัวของเรานี่นะครับเราต้องพยายามรับความกลัวด้วยการทําใจให้ยาก ร, รับกับสิ่งที่ปรากฏให้เรารับรู้รับรู้ไป ถ้าเราไม่อยากจะนับดูเราก็ใช้พุโทโธใช้สติดึงใจกลับมาอย่าไปตามรับรู้แต่เขาทาอะไรเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวอาจารย์วันนี้หมาไม่มาเลยครับอาจารย์วัน <c oughs> นี้เขาเสพเนตอาจารย์เช้ามืดลงเทก็ยังจะหอนอยู่ตอนนี้ตีะระฆังลงตอนตีสี่จะมีการตีะระฆังแล้วพราะมันได้ยินเสียงะระฆังมาทําไมมันก็จะหอนกันฉัน <c oughs> เสียงกัน ครับผมขาโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ476ในยู471ในขับ8ในติกตอก434วันนี้มีคนฟังทาด้วยกัน 1,389 คนครับอ่านคำถามแรก20นาิกา15นาทีพระอาจารย์ตอบไป90คำถามครับผมวันนี้หายไปเยอะคงจะเพราะว่าหยุด4วันแล้วนะก็ลเล ย, ย, ดยเดินทางไปไปทำภารกิจอย่างอื่นกันเลยไม่สะดวกที่จะ มาติดตามฟังธรรมก็สุดแท้แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎอนิจจังไม่ไม่มีอะไรแน่นอนทางเราก็พยายามไม่ไปยึดติดกับตัวเลขยิ่งแต่มีว้ศึกษาท่านก็มีมากมีน้อยแต่ก็ยังดีที่ยังมีเข้ามาบ้างงั้นไม่ไม่หายวป็นผลไหมไม่ครับเป็นทึกสคนครับอาจารย์ก็ได้มีปัญหาอัจฉริยย้อนหนังก็ได้ไม่มีใช่ไหมเราเก็บยูทิ้ในเฟซบุ๊กของคุณหมอนี่ ขอวันาทิตย์แล้วมีคนมาดูต้านย้อนหลังมันเป็นแสนเลยไม่ใช่ครับครับส่วนใหมีคนมาดูย้อนหลังเยอะเงี้ยครับอืเห็นยอดขึ้นตั้งสองแสนกว่าของวันอาทิตย์แล้วของวันนี้อาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็นได้นะครับท่านนี้เท่านั้นก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านเข้ามาตามมัธยาศัยว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถ้าเราก็ยินดีดที่จะทําหน้าที่ของเราต่อไป การสนทนาทำสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงเอ า, าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิร์นสาธุต้องขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, นี้เอาที่น่าจะาวันไหนนะลืมบอกอาทิตย์เหมือนเดิม น, นะครับอาจารย์ครับก็วันเดิยวนะค่ะอาทิตย์หน้าเป็นวันอาทิตย์ ถ้าไม่มีเหตุฉัดเข้ากันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยเขาจเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ